จเจริญพรโยมวันนี้เยอะแล้วก็เป็นที่มิตรหมายที่ดีนะที่พวกเราสนใจศึกษาธรรมะมาฟังกันได้เยอะแยะโดยไม่ต้องมีคอนเสิร์ตมาหลอกล่อไม่มีการแสดงอะไรเลยมีแต่ธรรมะล้วนๆเลยจริงๆธรรมะเนี่ยเป็นของที่ ผู้มีสติมีปัญญาเนี่ยเขาสแสวงหากันมาตลอดนะคนไม่มีสติไม่มีปัญญาก็าไม่สแสวงหาแล้วไปแสวงหาอย่างอื่นอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยคนหิวธรรมะมากเลยทั้งๆ ท, ที่มีาศาสดาตั้งเยอะแยะนะใครๆก็ตั้งตัวเป็นผู้รู้ขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยแต่ทุกคนก็รอคอยว่าเมื่อไหร่จะมีพระพุทธเจ้าที่แท้จริงตรัสรู้เมื่อไหร่ธรรมะที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นมา เมื่อไหร่พระสงฆ์ที่แท้จริงจะมีขึ้นมานี่คนเขาหิวธรรมะ ก, กันนะบางองค์ท่านเป็นกษัตริย์นะเป็นกษัตริย์ท่านก็อุตส่าห์คอยสืบข่าวจากพวกพ่อค้าว่าเมื่อไหร่จะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นที่ไหนคงสืบข่าวแล้วก็ต้องสอบสวนด้วยเพราะว่าคนที่ตั้งตัวเป็นพระลนะหันนั้นมีเยอะแยะตั้งแต่สมัยพุทธกาลยันสมัยนี้นะเยอะแยะ อย่างพอท่านได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติคิดแล้วนะท่านออกบวชเลยรีบเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมะพอเข้าใจธรรมะเนะี่ยโอ้ใจของท่านเป็นพระแท้เป็นพระสงฆ์แท้ๆขึ้นมาท่านรู้จักพระพุทธรู้จักพระธรรมนะตัวท่านเป็นพระสงฆ์ท่านสละทุกสิทุกอย่างเพื่อธรรมะได้ของเรา เกิดมาในยุคที่ศาสนาตั้งมั่นอยู่ในบ้านในเมืองเราอยู่แล้วไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่ชาวพุทธมีตั้งหลายสิบล้านนะในเมืองไทยมีสักกี่คนที่เป็นชาวพุทธแท้แท้มีไม่มากหรอกส่วนใหญ่ก็เป็นพวกพุทธสาพุทธซ้อนอะไรงั้นไปอะไรเขาว่าดีก็ว่าเฮงนั่นก็ตามกับเขาไปด้วยเมื่อปีก่อนสองปีก่อนดูสิไหมเราหันไปไหว้เทวดากันนะ ไหวเทวดาไหวอะไรต่ออะไรนะก่อนหน้านั้นก็ไหวพระลาหูนี่ไหมเดี๋ยวนี้มีบางแห่งเขาก็ไหวชูชกด้วยดั้นที่ชูชกท่านพระเทวทัตนะง่ายอย่างอุตสาวมีคนไหวคือสเปสป่าไปหมดเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะใจไม่มีที่พึ่งที่อาศัยใจไม่มีธรรมะถ้าใจเรามีธรรมะเราจะไม่หาที่พึ่งที่อาศัยอื่นเลยนอกจากพระรัตนตรัย มีแต่พระรัตนตรัยเท่า น, านาั้นที่เป็นที่พึ่งของเราถ้าใจของเรายัางคลอนแคลนต่อพระรัตนตรัยอยู่เรียกว่าใจเรายังไม่ถึงธรรมะจริงหรอกอย่างพระโสดาบันนี่นะท่านเข้าถึงพระรัตนตรัยจริงๆไม่มีวันคลอนแคลนเลยนะนี่พวกเรายัางไม่ได้เป็นโสดาบันศรัทธาของเราต่อพระรัตนตรัยยังเป็นศรัทธาที่คลอนแคลนได้อยูนะ่พอมีผลประโยชน์มากๆเข้าก็คลอนแคลนไดนะ้บางทีก็ หลงรักสาวใช่ไหมทําผิดศีลผิดธรรมก็ได้อะไรเงี้ยอยากรวยก็ไปโกงเขาได้นี่ยแล้ทิ้งธรรมะนะเราทิ้งพระรัตนตรัยไปถ้าเราถึงพระรัตนตรยัยจริงๆแล้วไม่เป็นอย่างนั้นหรอกพวกเราถือว่ามีบุญที่เราเกิดในแผ่นดินที่ยังมีธรรมะแท้ๆดํารงอยู่อยู่ที่ว่าพวกเราจะนขนไายศึกษาหรือไม่ถ้าเราไม่นขนไายมาศึกษาเนะชีวิตเราก็สูญเปล่าไปชาติหนึ่งชาติหนึ่ง หาความสุขอย่างโลกโลกไปชาติหนึ่งชาติหนึ่งนะในสุดก็หมดไปตายไปไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวถ้าเราได้ศึกษาธรรมะแท้ๆเราจะเรียนรู้นะวันหนึ่งใจเราจะพ้นจากความทุกข์พ้นทุกข์จริงๆไม่มีความทุกข์อะไรเหลืออยู่ในใจอีกเลยถ้าภาวนาได้เต็มที่จะเป็นอย่างนั้นถ้ายังไม่เต็มที่ความทุกข์ก็ลดลงเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยนะเหลือน้อย เคยทุกนานนานก็ทุกสั้นสั้นแค่มีสติขึ้นมาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงละความทุกข์มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายที่ใจนะความทุกข์อย่างพระพุทธเจ้าท่านแยกแยะความทุกข์ไหมอะไรเป็นความทุกข์ท่านบอกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักนี่เป็นทุกข์ความไม่สมปรารถนาเป็นความทุกข์นะ ความโศกความร่าไรําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเป็นทุกข์นีท่านก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์ความทุกข์มีอยู่เพราะอะไรมีอยู่เพราะชาติมีอยู่ใครเคยอ่านปฏิจจสมุ ป, ปบาทท่านบอกอะไรมีอยู่นะชาติถึงมีอยู่ชาติคืออะไรชาติคือการที่จิตเนี่ยมันไปหยิบฉวยเอารูปเอานามมาเป็นตัวเราของเรา เมื่ชาติเนี่ยถ้าโดยภาษาของปริยัตนะชาติเนี่ยหมายถึงความได้มาซึ่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจย่อๆก็คือได้กายกับใจมากายกับใจเราไม่ได้ได้มาด้วยการเกิดนะเรามีกายมีใจขึ้นมาด้วยการเกิดนี่รอบหนึ่งแล้วแต่จิตของเราไปหยิบฉวยเอากายเอาใจมาตัวนี้แหละที่จะนําความทุกข์ทางใจมาให้ งั้นอย่างพระอรหันต์เนี่ยนะท่านก็ยังมีกายมีใจมีขันห้าอยู่แต่ท่านไม่หยิบฉวยมันขึ้นมาท่านไม่ทุกนะขันห้านั่นแหละตัวทุกะถ้าเมื่อไหร่ไปหยิบมันมาก็หยิบเอาก้อนทุกมาด้วยนี่พวกเราก็ค่อยๆศึกษาวันหนึ่งเราเห็นเลยว่าถ้าเราไม่ไปหยิบฉวยเอาขันห้าขึ้นมาเราก็ไม่ทุกหรอกขันห้าน่ะทุกโดยตัวของมันเองแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยกายมันทุกใจมันทุกนะแต่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเราคนละเรื่องกัน พวกเราคนไหนภาวนาจนจิตเคยวางขันได้ชั่วคราวบ้างมีไหมใครมองเห็นไหมว่าบางทีภาวนาอยู่ใจก็สบายดีนะแล้วก็อยู่ๆก็หยิบเฉวยขึ้นมาโดดเข้าไปตะครุบขึ้นมาอันนี้พวกเราอย่างตะครุบอารมณ์อยู่นะยังไม่ถึงขั้นที่เห็นตะครุบขันเราแค่เห็นว่าถ้าจิตไปจับอารมณ์ของเราจิตจะมีความทุกข์นี่นี่เห็นระดับหนึ่งนะเป็นความถูกต้องในระดับหนึ่ง ถ้าภาวนาไปสุดขีดกว่า น, นี้เราจะเห็นเลยว่าจิตมันไปหยิบฉวยเอาขันขึ้นมาไม่ใช่หยิบฉวยอารมณ์ธรรมดาถนะ้ไปก้าเอาขันขึ้นมาได้ตรงที่จิตน้องก้าวเอาขันขึ้นมาได้นี่แหละเรียกว่าชาตินะทําไมมันก้าวขึ้นมามันต้องมีการที่จิตทยานออกไปเห็นไหมจิตมีความอยากเกิดขึ้นก่อนจิตก็ทยานออกไปมีตัณหาก็มีอุปาทานจิตทยานเข้าไปจับอารมณ์ตรงไปจับไปหยิบไปฉวยเนี่ยนะเกิดสภาวะขึ้นมาเรียกว่าพบ อาการที่จิตหยิบฉวยเอาขันขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวภพนะพอหยิบฉวยขึ้นมาครอบครองเอาไว้เนี่ยเป็นตัวชาตินะแล้วก็ตัวทุกข์มันก็แนบมาอยู่กับขันอยู่แล้วมันก็แนบมาเลยเพราะั้นส่วนที่ท่านบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นั้นเป็นแค่อาการปรากฏพอเราไปหยิบฉวยเอากายขึ้นมาใช่ไหมกายนี้มันแก่เราก็เดือดร้อนเป็นทุกข์กายนี้มันเจ็บเราก็เป็นทุกข์ด้วยกายนี้ตายเราก็เป็นทุกข์ด้วย เรายึดถือในจิตใจของเรานะพอจิตใจไม่สมหวังก็ทุกข์ไหมจิตใจได้ไปสัมผัสสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ทุกขนะ์สิ่ง จ, จิตใจเนี่ยอยากแล้วไม่สมอยากก็ทุกข์อีกเนะนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรทุกขนะ์ไม่กายทุกข์ก็ใจทุกข์มีอยู่เท่านั้นเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่หยิบฉวยเอากายเอาใจขึ้นมานะกายกับใจเป็นของโลกอยู่เนี่ยก็ไม่มีการหยิบฉวยเอาทุกข์ขึ้นมาทับถมจิตใจอีกต่อไปนะ จิตกับขันน่าจะพรากออกจากกันขันขน้าเป็นทุกข์โดยตัวของขันแต่ จ, จิตพ้นจากความทุกข์จิตพ้นจากขันงั้นเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะให้ละขันนะไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะควบคุมขันอย่างบางคนภาวนาเข้าใจผิดเช่นนั่งสมาธิอยู่คิดว่านั่งยังไงจะไม่เมื่อยถ้านั่งแล้วไม่อยากเมื่อยนะก็ให้หมอเขาบล็อกไขสันหลังซะนไม่รู้สึกละไม่ใช่นะไม่ใช่ อย่างนั่งสมาธิอยู่เราจะเห็นในร่างกายมันนั่งนะไม่ใช่เรานั่งความเจ็บความปวดมันเกิดขึ้นนะไม่ใช่เราเจ็บเราปวดนะมันเป็นแค่สภาวะธรรมอนหนึ่งแทรกเข้ามาในร่างกายเท่านั้นกายก็ไม่ได้เจ็บนะเวทนาคือความเจ็บปวดอะไรนี้มันแทรกเข้ามาอยู่ในกายจิตก็อยู่ต่างหากจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่ถ้าเราพภานาเป็นนขันมันแยกออกจากกันขันมันทุกนะขันมันทุกโดยตัวของมันแต่เราไม่ทุกเพราะเราไม่ไปหยิบฉวยมันขึ้นมา แต่ว่าภาวนากว่าจะถึงขั้นที่ไม่หยิบเฉวยขันนี่ยากนิดนึงต้องอดทนมากๆเลยต้องภาคเพียรมากๆคอยมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปเรื่อยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไปเรื่อยจ น, นเห็นความจริงถ้าเม่ไรเห็นความจริงของกายของใจว่ามันเป็นตัวทุกข์นะเห็นกายเห็นใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยความที่จะจิบจิตจะทยานไปหยิบเฉวยเอากายเอาใจมาก็ไม่มีอีกกายกับใจที่เคยยึดถือไว้ก็เบี่ยงทิ้ง เราก็ไม่ไปหยิบช่วยเอากายเอาใจใหม่ๆขึ้นมาอีกนะเพราะว่ารู้แล้วว่ามันเป็นทุกข์การที่ไม่รู้ทุกข์นี่แหละเรียกว่าอาวิชชานะเพราะมีอวิชชาไม่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์นะัก็เลยเกิดตัณหาเกิดรูปธาตุขึ้นมาเกิดการเข้าไปยึดในกายในใจขึ้นมานะมีชาติขึ้นมามีตัวมีตนมีเราขึ้นมาแล้วก็เลยมีความทุกข์ขึ้นมา ในนี้ฟังเราอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะแต่ถ้าภาวนากับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งไม่ยากหรอกถ้าใครมาเรียนที่สาราลุงชินนี่ยี่สิกว่าครั้งแล้วก็ฟังเข้าใจลนะนะไม่ยากอะไรเราเห็นนี่จิตมันเข้าไปหยิบโน่นหยิบนี่ใช่ไหมเออมันหยิบแล้วมันทุกข์แต่เรายังไม่ถึงขั้นที่เห็นว่าตัวจิตที่ยังไม่ได้หยิบอะไรนั่นแหละแต่เราไปหยิบจิตไว้นั่นแหละทุกเรียบร้อยแล้วนะยังไม่เห็นตรงนี้นะแต่วันนึงจะเห็นภาวนาไปด้วยความอดทนรู้สึกกายรู้สึกใจไปดูเขาทํางานไปเรื่อยๆ ไม่ยากอะไรนะไม่ยากเท่าที่คิดหรอกมันจะยากอะไรเรารู้สึกเฉยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกถึงวันหนึ่งก็เห็นหรอกทั้งกายทั้งใจมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยนะมันจะสลัดทิ้งไม่ยึดถือละไม่ไปหยิบขึ้นมาอีกแต่ถ้ายังมีอวิชาอยู่ยังไม่เห็นแจ้งว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์นะถึงวางก็วางชั่วคราวเดี๋ยวก็จะไปหยิบมาอีกนะ วางชั่วคราวแต่หลวงพ่อบวชพรรษาแรกนะพรรษาแรกภาวนาไปวันหนึ่งจิตมันวางวางจิตลงไปนะพวางลงไปแล้ววางไปแป๊บเดียวแนละ้วตะครุบคืนเข้ามาเสียดายนะต้องเอามาเรียนต่อเนี่ยไปส่งกันบ้านกับครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็ส่งกันบ้านเหมือนกันนะสมัยโน้นส่งกันบ้านกับหลวงปู่สุวัตนะท่านเท่านทำท่าอย่างนี้เลยนะทีแรกท่านแอคทีฟมากเลย alert ขึ้นมานะพอได้ยินว่าเราไปหยิบมาอีกนะอแล้วก็บน่นหยิบมาทําไมไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปหยิบมาทมาําไมแต่ทําไมเราหยิบทำไมใจมันหยิบเพราะใจยังไม่รู้ความจริงว่าขันนี้เป็นตัวทุกข์นะมันก็จะไปหยิบเวยอีกถ้ามันรู้ความจริงว่าขันเป็นตัวทุกข์มันไม่หยิบแล้วมันกว้างจริงเลยไม่อยู่ที่เรานี่แหละจะเจริญจนสติจนเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจได้แค่ไหนนะ ถ้าเห็นกายเห็นใจไม่ใช่ตัวเราในเบื้องต้นจะเห็นกายเห็นใจไม่ใช่ตัวเราจิตยอมรับความจริงตรงนี้ได้ก็เป็นพระโสดาบันในภาวนาต่อไปนะเห็นความจริงในกายนี้ทุกข์ล้วนๆนะจิตปล่อยวางไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะหรือสิ่งที่มาสัมผัสกายความยินดียินร้ายไม่เกิดขึ้นนะครับ ก, กามและปฏิฆาไม่มีนั่นะก็เป็นภูมิธรรมของพระอนาคานะ ตอนนาต่อไปเนี่ยจิตมันจะรวมเข้ามาที่จิตนะจนมาเห็นว่ตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ว่าจิตที่ต้องไปยึดอารมณ์ถึงจะทุกข์นะตัวจิตแท้ๆนั่นแหะโดยที่มันยังไม่ทำยึดอะไรนะั่นเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองตัวขันนั่นแหละตัวทุกขนะ์ถ้าอย่างนี้ถึงจะวางขันกนะ็พ้นจัดทุกข์ไปนี่มีปัญญาเป็นลําดับลําดับไปนี่พวกเราหัดภาวนาแรกๆเนี่ยต้องสร้างพัฒนาสตินะพัฒนาไปจนมานึงมีปัญญา ปัญญาขั้นที่หนึ่งก่อนปัญญาเบื้องต้นเห็นก่อนว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเอานีต้ตรงนี้ก่อนยังไม่ถึงขนาดต้องไปละ ก, กามละปฏิฆาอะไรหรอกบางคนเรียนข้ามขั้นนะหลวงพ่อเมื่อก่อนไปกับน้องคนหนึ่งไปหาหลวงปู่เทศน้องคนนี้ไปเจอหลวงปู่เทศถามเลยทายังไงผมจะละกามได้งั่นละยากเพราะว่าใจเป็นยัง อ, อาลัยอวบ์อยู่นี่ท่านบอกอะไรยอวบ์อยู่ก็ละไม่ได้ทําไมนยังอะไรยอวบ์อยู่ มันยังรักในกายรักในตาหูจมูกลิ้นกายรักในรูปเสียงดนตรีรสผลิตัณฑ์ย่งมันก็ลาไม่ได้ละ ก, กามไม่ได้เป็นอนาคาไม่ได้เพราะฉะนั้นภาวนาเราอย่าคารุ่นหรือใครภาวนาอย่ามาถามหลวงพ่อให้เสียเวลาเลยนะว่าทํายังไงผมจะทํำลายผู้รู้ไม่ยึดถือจิตได้มันเกินขั้นไปนอันนั้นได้อนาคาก่อนแล้วค่อยเรียนตรงนี้เพราะถ้านาคานะยังยึดถือจิตอยู่ไม่ยึดถืออย่างอื่นแล้วนะยึดถือแต่จิต ก็ต้องมาเรียนจนกระทั่งเห็นความจริงว่าจิตเป็นตัวทุกข์ท่านถึงจะหวางไม่ไม่ยึดถือจิตงั้นเราภาวนาเรารอยะก่ํามขั้นเรียนไปตามขั้นตามตอนเรียนไปตามลําดับเป้าหมายแรกเราต้องพัฒนาสติไปเรื่อยนะจนเกิดปัญญาให้เห็นความจริงก่อนนะว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีนะพวกเราหัดจเจริญสติเรื่อยๆบางคนเริ่มเห็นแนละ้วว่าตัวเราไม่มีนะ นีบางคนเริ่มเห็นเช่นพอมีสติอยู่นะกำลังอาบน้ําถูสบู่อะไรอยู่เนี่ยถูขี้ใครอยู่รู้สึกแวบขึ้นมาเลยตัวนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นอะไรตัวหนึ่งก็ไม่รู้ถามว่ามันเป็นอะไรถ้าจะใส่ชื่อให้มันมันก็เป็นรูปอันหนึ่งนะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นรูปไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเริ่มมีสติแล้วมีปัญญาเห็นความจริงนะบางคนก็เห็นเลยว่าความรู้สึกเป็นเรานะผุดขึ้นมาในใจเป็นคราวๆแล้วก็หายไปเนี่ยผุดขึ้นมาแล้วก็หายไป แต่ตรงนี้ยังไม่ได้โสดานะถ้าโสดามันจะไม่ผุดขึ้นอีกเลยนี่บางคนเนี่ยภาหัดภาวนาไปเริ่มเห็นลเห็นตัวเราโผล่ขึ้นมาความรู้สึกเป็นตัวเราความรู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยมันแทรกอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเลยนะจะกินข้าวจะอาบน้ำจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะมันแฝงสิ่งที่เป็นตัวเราเข้าไปตลอดเวลา การกระทําทุกสิ่งทุกอย่างทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยล้วนแต่ย้ําตัวเองตลอดว่าตัวฉันยังอยู่นะฉันยังอยู่ฉันมีจริงๆนะนี่มันกลัวตัวเราหายไปนี่พอมาหัดภาวนานะพอใจรู้ใจตื่นใจเบิกบานใจไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยชี้เห็นว่าตัวเราไม่มีนี่บางคนนะ่ะเข้าใจผิดพอเห็นความเป็นตัวเราโผล่ขึ้นมาแวบพอสติรู้ทันความเป็นตัวเราดับไปก็ ค, คิดว่าบรรลุพระโสดาบันยังไม่บรรลุนะไม่บรรลุง่ายขนาดนั้นหรอก เพิ่งเห็นทีเดียวแต่บางคนเห็นครั้งเดียวก็บรรู้เลยมันเกิดอริยมรรคต่อไปเลยแต่ส่วนมากพอเห็นครั้งหนึ่งยังไม่พอหรอกนะอินรียเราไม่แก่กล้าพอเราก็จะเห็นเลยเดี๋ยวก็มีตัวเราเดี๋ยวตัวเราก็ไม่มีมีเกิดมีดับอยู่อย่างนี้เรื่อยๆถ้ายังมีตัวเราแฝงเร้นปรากฏขึ้นได้แม้แต่นิดๆหน่อยๆยังไม่ใช่พระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วท่านจะละความมีตัวเราเนี่ยเป็นสมุดเฉดเลยไม่มีอีกต่อไปละไม่ต้องประคองไม่ต้องรักษาจิตนะ จะไม่รู้สึกว่ามีเราอีกต่อไปแล้วแต่ถ้ายังมีแฝงแฝงขึ้นมานี่ไม่ใช่ของจริงนะไม่ใช่ของจริง <c oughs> ธรรมะหายไปเลยเวลาหลวงพ่อแสดงธรรมนะแสดงธรรมด้วยจิตที่มีสมาธินะใช้จิตที่มีสมาธิถ่ายทอดการถ่ายทอดธรรมะด้วยวิธีนี้มันจะตรงกับใจของคนที่ฟัง คนที่ฟังเนี่ยจะรับฟังแล้วจะเข้าใจได้ค่อยๆสึมสับธรรมะได้จะไม่เหมือนเรียนปริยัตินะเรียนปริยัติเข้าหูซ้ายแล้ก็ผ่านสมองนิดหน่อยแล้วก็หลุดออกทางหูขวาของที่ดีๆหลุดออกไปเหลือของไม่จริงเอาไว้ในสมองนะงั้นเราศึกษาธรรมะนะ ต, ต้องต้องระมัดระวังนะอย่าให้ใจวอกแวก ใ, ใจวอกแวกนิดเดียวธรรมะก็จะเปลี่ยนไป ในเบื้องต้นเนี่ยเรา่อยดูลงไปที่กายที่ใจรู้สึกที่กายที่ใจนะรู้สึกไปเรืนะ่อยจนวันหนึ่งเห็นว่าไม่มีเราที่แรกยังรู้สึกมีเราเป็นคราวๆอยูนะ่ถ้ายังมีเราเป็นคราวๆแม้แต่นิดแต่หน่อยนะก็ยังไม่ใช่พระโสดาบันหรอกตอนนี้ก็มีหลายคนเข้าใจผิดนะไม่เจอหลวงพ่อนะแต่ว่าฟังซีเดียวฟังฟังได้ข่าวว่าบางจังหวัดเนี่ยมีพระโสดาบันเยอะมากเลยนะ เพราะว่าเห็นความเป็นตัวตนโผล่ขึ้นมาพอสติไประลึกรู้แล้วมันดับไปก็คิดว่าแค่นี้เป็นโซดาไม่เป็นนะแค่นี้เป็นแค่โซดาถ้าท่านไปถึงโสดานะถ้าเป็นโสดาจริงจริงต้องเกิดกระบวนการของอริยมรรตมาต่อนะอย่างเราเจริญสติรู้กายรู้ใจไปเนี่ยถึงจุดที่สติปัญญามันแก่กล้าขึ้นมาจิตจะเป็นกลางจิตจะเป็นกลางต่อสังขารต่อความปรุงแต่งทั้งหลายด้วยปัญญาเป็นกลางก็มีหลายกลางนะ เป็นกลางมีหลายแบบอัหนึ่งเป็นกลางด้วยการบังคับไว้เพ่งเอาไว้นี่เป็นกลางด้วยสมถะอัหนึ่งเป็นกลางด้วยวิปัสนาเป็นกลางด้วยวิปัสนาเนี่เห็นทุกอย่างเกิดระดับรู้ทันความไม่เป็นกลางน่ใจค่อยเป็นกลางข้นมนี่พัฒนามาเรื่อยๆนะจนถึงวิปัสนาญาณตัวสุดท้ายเลยที่เป็นฝ่ายโลกียะอยู่ก็คือสังขารู้เบกขาจิตมันเป็นกลางกับสังขาร เป็นกลางกับความปรุงแต่งถ้าเราเจริญสติไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นเลยในร่างกายเนี่ยร่างกายที่หายใจออกก็ทุกข์นะร่างกายที่หายใจเข้าก็ทุกข์ไม่เห็นสุขตรงไหนเลยใจก็รู้แล้วก็ใจยอมรับความจริงนี้ใจเป็นกลางกับร่างกายดูลงไปที่จิตนะเราก็จะเห็นในจิตเดี๋ยวก็สุขจิตเดี๋ยวก็ทุกข์จิตเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใช่ไหมจิตสุขก็ชั่วคราวจิตทุกข์ก็ชั่วคราวจิตดีก็ชั่วคราวจิตร้ายก็ชั่วคราว นี่พอเราเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้านะในที่สุดปัญญามันเกิดนี่ทุกสิ่งมันชั่วคราวหมดเลยความสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงระเริงความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ไม่เศร้าหมองจิตเป็นกลางนี่เรียกกลางด้วยปัญญาตัวนี้สําคัญมากนะเป็นกลางด้วยปัญญาไม่ใช่กลางด้วยสติไประลึกรู้แล้วมันเกิดเป็นกลางนะจะเป็นกลางด้วยปัญญาแล้วก็ไม่ใช่เป็นกลางด้วยการเพ่งเอาไว้งั้นเป็นกลางมีหลายระดับนี่บางคนนะภาวนาไป แล้วก็ประคองใจให้นิ่งให้ว่างก็บอกว่าเป็นกลางแล้ว น, นี้ไม่เป็นนะหรือบางคนความไม่เป็นกลางเช่นความยินดียินร้ายเกิดขึ้นสติระลึกรู้แล้วบอกว่าเป็นกลางอันนี้ยังไม่พอนะต่อเมื่อปัญญามันเกิดจริงๆเลยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นดีเห็นชั่วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นในใจมันยอมรับตรงนี้ใจมันเป็นกลางต่อความสุขความทุกข์ความดีความชั่วแล้วใจเป็นกลางตงัวเนี้ใจก็หยุดความดิ้นรนหยุดความปรุงแต่ง ใจมันถ้ามันไม่เป็นกลางนะมันยังดิ้นมันยังปรุงแต่งไม่เลิกถ้าใจเป็นกลางอย่างแท้จริงด้วยสติด้วยปัญญาที่แท้จริงจะหมดความปรุงแต่งเมื่อจิตใจหมดความปรุงแต่งนะจิตจะสงบของมันเองนะแล้วก็ถ้ามันสติปัญญามันพอมันเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจมามากพอแล้วมันจะรวมข้ออัปปนาสมาธิเนั่นอาริยมรรคเวลาเกิดเกิดในอัปปนาสมาธิไม่ได้เกิดอยู่ในจิตของคนทั่วๆไป จิตของเราทั่วๆไปนี่เรียกว่าจิตที่โคจร อ, อยู่ในกามาวจจรภูมนะิเรียกว่ากามาวจรจิตอย่างร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเวลาที่เกิดอริยมรรคเนี่ยมันจะรวมเข้ามาที่ใจอันเดียวนะไม่ได้ร่อนเร่ไปทางทวารทั้งตาหูจมูกลิ้นกายแต่รวมลงที่ใจอันเดียวนะแล้วเราก็มาตัดสินกันที่ใจนี้เองกนะ็จะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับเกิดดับไปสองสาขณะนะตัดจากนั้นจิตรู้ด้วยความเป็นกลางอย่างแท้จริง อะไรมายั่วจิตก็ไม่กระเพิ่มหวั่นไหวนะจิตมีขันติที่แท้จริงเลยพอไม่กระเพิ่มหวั่นไหวสักว่ารู้สักว่าเห็นรู้ระ ว, วางไปมันวางของมันเองบางคนได้ยินครูบาอาจารย์พูดบอกว่ารู้ระ ว, วางนะจงใจวางก็ไม่ใช่ของจริงนะจงใจวางก็ของปลอมอีกแล้วก็เป็นการสร้างภพว่างๆขึ้นมาจงใจวางเป็นการสร้างภพอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาแต่ถ้าจิตมันวางเองนั้นมันจะถอนตัวออกจากภพในหมดจากความปรุงแต่งถ้าจิตหมดจากความปรุงแต่งนะแล้วมันรวมลงที่จิตนะ อริยมรรคถึงจะเกิดขึ้นเกิดอริยมรรคหนึ่งขณะเท่านั้นไม่เกิดสองขณะนะแล้วเกิดอริยผลขึ้นสองสามขณะไม่เกินสามขณนะมีเท่านั้นเองแล้วจิตจะถอยออกมาสู่โลกภายนอกนี่กลับมาสู่จิตของมนุษย์ปกติอย่างนี้อนะีกนั้นมันจะมีกระบวนการนี้บางคนดูไม่ทันนะบางคนที่เข้าใจธรรมะแล้วดูได้ไม่ตลอดทั้งเจขณะจิตเวลาตัดมีไหมมีดูไม่ทัน คนที่ดูทันส่วนมากจะเป็นคนที่ทรงฌานจนชานีนชน้ชํานาญมา ก, ก่อนจะดูได้ทนันปะัจภาวะมันเกิดขึ้นในองค์ฌานเพราะฉนั้นถ้าดูไม่ทนันจะทำยังไงดีอย่าไปเชื่อนะว่าบรรลุแล้วอย่าเชื่อง่ายถ้าเราเชื่อง่ายว่าตอนนี้เราได้โสดาแล้วเพราะาเราแค่เห็นความเป็นตัวเราโผล่ขึ้นมาหนึ่งครั้งพอรู้แล้วก็หายไปแล้วก็คิดว่าบรรลุแล้วนี่เข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยเนะี นั้นต้องเกิดกระบวนการของอริยะมากหลังจากนั้นเนี่ยจะไม่มีความเป็นตัวเราพุทโผล่ขึ้นมาอีกแม้แต่นิดเดียวแต่ตรงที่ไม่มีความเป็นตัวเราโผล่ขึ้นมาอีกเลยตัวนี้พวกเราต้องใช้ความสังเกตให้มากบางครั้งมันไม่โผล่ขึ้นมาเพราะการเพ่งเอาไว้จำไว้นะเพราะการน้อมใจไปอยู่ในโลกที่ว่างๆไปติดอยู่ในภพว่างๆสบายๆเพลินๆไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วบอกว่าไม่มีตัวเราทําไมไม่มีตัวเราเพราะตอนนั้นสติปัญญาไม่มี เอาแต่เพ่งอยู่ในความว่างๆพวกเราที่หัดดูจิตดูใจต้องระวังให้มากนะเมื่อดูจิตโดยใจไปช่วงหนึ่งแล้วเราทิ้งสมถะไปเลยเนะี่ไม่ดีถ้าทิ้งสมถะไปช่วงหนึ่งเนะี่ยจิตไม่มีแรงพอนะจิตจะไปหลงอยู่ในภพว่างๆแล้วคิดว่าเดินมีปัสนาไม่เดินแล้วนะหลวงพ่อเองเคยพลาดมาตรงเนี้ยะหลวงพ่อทําสมถะมาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เจ็ดขวบหัดทำสมถะมาก็ทําได้แค่สมถะนะพอมา รู้จักหลวงปู่ ด, ดูลันตอนนั้นอายุ29แล้วท่านสอนให้ดูจิตตัวเองเพราะเราดูจิตเราเห็นสภาวะเกิดดับเราทิ้งวิปสมถาเลยรู้สึกสมถะนี่ไม่ดีเลยนะเราติดอยู่22ปีไม่มีประโยชน์เลยนะีไปคิดอย่างนี้นะไปดูถูกสมถะเข้าไม่ทําสมถะเลยต่อไปนี้ดูแต่จิตอย่างเดียวดูไปดูไปนะเบื้องต้นนะปีแรกๆเนี่ยกําลังของสมาธิที่เราทําไว้ตั้งนานเนะี่ยมันยังมีอยู่มันไปได้นะ แต่พอหลายๆปีไปเนี่ยแรงมันตกแล้วแรงไม่พอก็รู้สึกใจเนี่ยโล่งว่างสบายนะเหมือนใจพระละหันยังไงชอบก้นแต่ไม่เหมือนทีเดียวหรอกสังเกตไปด้วยนะไม่เหมือนหรอกแต่คล้ายคล้ายคล้ายคล้ายแต่ไม่เหมือนนะอืแล้วดูยังไงดูไงก็ไม่ออกแอ่ทําไงนาะเราก็ดูจิตอยู่นะเราก็เห็นจิตทํางานอยู่ทําไมมันไม่ผ่านคิดอย่างนี้นะวันหนึ่งนะขึ้นไปกราบท่านอาจารย์มหาบัวตอนนั้น ท่านอยู่ที่บ้านตากอยู่ข้างบนคนยังน้อยนะอยู่อยู่ข้างบนศาลาไม้ของท่านขึ้นไปกราบท่านนะบอกท่านอาจารย์ครับทําไมผมดูจิตอยู่มันไม่ผ่านสักทีนะท่านมองหน้าเราแวบนึงท่านก็บอกว่าที่ว่าดูจิตอยู่นั้นดูไม่ถึงจิตแล้วละ่นะต้องเชื่อเรานะตรงนี้สําคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองเลยอะไ ร, ะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านบอกอย่างนี้เราก็กราบท่านนะเนี่ยท่านว่าเราดูไม่ถึงจิตแล้วแต่ยังดูไม่ออกว่ามันไม่ถึงจิตยังไง แต่ว่าท่านบอกมาอย่างนี้ยก็มาค่อยๆสังเกตเริ่มต้นท่านบอกให้บริกรรมเราลองพุทโธดูพุทโธพุทโธพุทโธนะโอ้ใจนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แน่นไปหมดหรือเครียดไปหมดเลยโอ้ใจไม่เอาพุทโธแฮะใจไม่ชอบพุทโธเรามาหายใจดีกว่าเราหายใจมาตั้งแต่เด็กๆแล้วหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมารู้ลมหายใจแทนนะใจสบายขึ้นมาเราสังเกตเลยว่าไอ้ที่ว่าเรารู้ตัวอยู่เราดูจิตดูใจอยู่มันดูไม่ถึงจิตจริงๆนะจิตมันไปอยู่ข้างหน้า พวกเราเวลาภาวนาไประวังนะบางทีจิตไปว่างๆอยู่ข้างหน้านะแล้วก็สบายเพลินๆไปทั้งวันเลยบอกว่าไม่มีตัวมีตนจิตเป็นกลางจิตไม่ยึดไม่ถืออะไรเลยความจริงจิตหลงอยู่ในภพอันหนึ่งที่เราไปเพ่งเอาไว้นะจิตแอไปสร้างเอาไว้เพราะฉะั้นงานภาวนาเนี่ยเป็นงานที่ละเอียดที่ประณีตต้องค่อยๆสังเกตเอานะเมื่อวานก็มีพระองค์หนึ่งมาถามหลวงพ่อท่านภาวนาเก่ง ท่านภาวนาท่านบอกว่าผมภาวนามาตั้งหลายแบบแล้วอยากรู้ว่าแบบไหนมันถูกอันหนึ่งนะท่านดูลงไปดูจิตนี่แหละเสร็จแล้วมันก็ทะลุลงไปนะก็ไปเห็นลึกลงไปอีกแล้วก็ท่านก็ดูลึกๆๆๆลงไปนะเหมือนทะลุชั้นเมฆลงไปเรื่อยทะลุทะลุทะลุไปคิดว่าถ้าทะลุไปสุดจิตนี่คงเป็นพระอรหันต์เลยลึกลงไปลึกๆๆๆลงไปนในสุดว่างโพรงอยู่ข้างในท่านก็ดูดๆตรงนี้ไม่น่าใช่นี่ฉลาดไหมฉลาด ท่านก็ถามว่ามันเป็นไรบอกอันเนี้ยมันเป็นเพ่งสิ่งที่ถูกรู้เราไปเพ่งอารมณ์นั่นเองเพ่งอารมณ์นั้นจะทะลุลึกๆลๆ ล, ล, ลงไปจนกระทั่งอารมณ์นั้นละเอียดประณีตจนเหมือนไม่มีความจริงมีมีอะไรมีความไม่มีอะไรนะมีอยู่มีความไม่มีอะไรนะนี่ท่านฉลาดทะานวาไม่ใช่ท่านก็เลยย้อนกลับมาดูผู้รู้พอมาดูผู้รู้นะมันก็เกิดตัวผู้รู้อีกตัวหนึ่งซ้อนแนะเวลาจงใจไปดูผู้รู้จะมีผู้รู้ซ้อนเข้าไปเรื่อยๆท่านก็ดูไล่ไล่ล่ไป ไล่ไปไม่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะท่านก็พราบว่านั่นไม่น่าจะใช่นี่ฉลาดจริงๆเลยตรง น, นี้ไม่น่าจะใช่นะเสร็จแล้วท่านรู้แล้วนะไปเพ่งสิ่งที่ถูกรู้ก็ไม่ใช่เพ่งผู้รู้ก็ไม่ใช่นะเลยบอกท่านอย่าเพ่งผู้รู้นะถ้าเพ่งผู้รู้แล้วติดสมถะแก้ยากที่สุดเลยแก้ยากกว่าเพ่งอารมณ์อีกถ้าเพ่งจิตนี่นะแก้ยากกว่าเพ่งอารมณ์อีกท่านบอกท่านก็จะทำแบบที่สเวลาสภาวะลอยมาต่อหน้านะท่านหยิบมาไว้ดูหน่อยหนึ่ง หยิบตัวนิดหน่อยนะจิตมันก็ตัดวางไปเดี๋ยวอันใหม่มาท่านก็ไปหยิบไว้หน่อยแล้วก็วางไป <_ m ult> บอกว่าเอ๊ะผมทําอย่างนี้มาตั้งนานแล้วทำไมมันไม่ผ่านสติบอกท่านจงใจหยิบปสิเห็นไหมจงใจจะเอาปัจจุบันเห็นไหมหลงไปทางโน้นก็ไม่ใช่นะหลงไปทางนี้ก็ไม่ใช่หลงเข้าข้างในก็ไม่ใช่หลงไปข้างนอกก็ไม่ใช่หลงสิ่งที่หยาบก็ไม่ใช่หลงสิ่งที่ละเอียดก็ไม่ใช่หลงไปอดีตหลงไปอนาคตก็ไม่ใช่ไปหลงประคองอยู่ในปัจจุบันก็ไม่ใช่อีก แงานกรรมฐานนัเป็นงานที่ละเอียดค่อยๆสังเกตไปอะไรก็ไม่ดีเท่าความช่างสังเกตของเรานะสังเกตใจของเราไปเรื่อยมันปรุงมันแต่งมันทํางานนะคอยรู้ทันมันไปเรื่อยๆวันหนึ่งถึงจะรู้ทันว่ามันแอบไปสร้างอะไรไว้ถ้ารู้ไม่ทันว่ามันไปสร้างภพสร้างชาติอยู่นะเราก็ไปนอนแช่อยู่ในภพในชาตินั้นคิดว่าบรรลุแล้วไม่บรรลุหรอกยังหลงอยู่วันนี้หลวงพ่อเทศยากนิดนึงแสดงว่ามีคนเก่งๆเยอะนะ คนที่มาเรียนานานๆไปก็ฟังรู้เรื่องเองนะ้เพราะพวกเราก็จะเริ่มเห็นแล้วเราเห็นไหมเวลาจิตมีความอยากขึ้นมามันมีการโดดเข้าไปตะครุบอารมณ์ตรงนี้ใครเห็นบ้างมีไหมใครเห็นตรงนี้แล้วมีไหมมีคนเดียวหรือเป็นไปไม่ได้หรอกนะลืมไปว่าของเราจะไม่ไมีธรรมเนียมยกมือนะ <laughs> ที่นี่จะใช้วิธีแบบพระนะถ้ายอมรับจะนั่งนิงน่งๆนะ <laughs> ยอมรับแล้วนั่งนิงน่งๆ สรุปสรุปง่ายๆนะเราภาวนาไปนะวันหนึ่งเนี่ยใจเราจะถอดถอนตัวเองออกจะไม่ยึดกายไม่ยึดใจเมื่อไหรไม่ยึดกายไม่ยึดใจก็จะพ้นจากความทุกข์ยังยึดกายยึดใจอยู่ยังทุกข์อยูนะ่เพราะกายกับใจนั่นแหละเป็นตัวทุกขนะ์นี้ทํายังไงจะไม่ยึดกายยึดใจต้องเห็นความเป็นจริงของกายของใจนะว่ามันไม่ใช่ของดีของวิเศษ ถ้ารู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไม่ยุดของมันเองเราจะไปสั่งให้ไม่ยุดไม่ได้เพราะฉะนั้นงานของเรางานของผู้ปฏิบัติเนี่ยก็คือคอยสังเกตกายสังเกตใจไปคอยรู้กายคอยรู้ใจดูเขาทํางานไปเรื่อยดูเขาเคลื่อนไหวดูเขาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยวันนึงก็จะเห็นความจริงหรอกทั้งกายทั้งใจมีแต่ของไม่เที่ยงทั้งกายทั้งใจมีแต่ทุกข์ทั้งกายทั้งใจมันทํางานของมันเองนะไม่ใช่เราหรอก เนี่ยเฝ้ารู้ลงไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเห็นทีแรกใจก็เบื่อใจก็กลัวใจวงงโงงวิว ว, วิวาบหวามวหวัน่นไหวนี่อักษรวอแหวนทั้งนั้นเวิง้งว้า ง, ว, างวังเวงนะเนี่ยใจไม่มั่นคงแสดงความคลอนแคลนขึ้นมาก็ให้รู้ทันเข้าไปนะมันเบื่อก็รู้มันกลัวก็รู้มัน ว, งวังเวงไงขึ้นมาก็รู้ไปด้วยความเป็นกลางในสุดมันจะดับหมดเลยมันเป็นกลางแล้วก็รู้ทุกอย่างอย่างเป็นกลางต่อไป การดูจิตดูใจไม่ใช่ของยากใครๆก็ดูเป็นนะเพียงแต่เราละเลยที่จะดูเท่านั้นเองวิธีดูจิตดูใจน่ะ ง, ง่ายๆก็คือคอยรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราแต่ละขณะแต่ละขณะอย่างขณะนี้มีความสุขขึ้นมารู้ทันว่ามีความสุขขณะนี้มีความทุกข์ขึ้นมารู้ทันว่ามีความทุกข์ขณะนี้เฉยๆรู้ว่าเฉยๆขณะนี้ไปเพ่งให้นิง่งนิ่งไว้รู้ว่าไปเพ่งไว้รู้ว่านิง่งนิ่งอยู่นะ ขณะนี้หลงไปคิดรู้ว่าหลงไปคิดหลงไปดูรู้ว่าหลงไปดูหลงไปฟังรู้ว่าหลงไปฟังคอยรู้ทันความรู้สึกคอยรู้ทันกิริยาอาการของจิตไปเรื่อยเรรู้ทันสองอย่างนะรู้ทันความรู้สึกอย่างหนึ่งรู้ทันกิริยาอาการของจิตอย่างหนึ่งเนี่ยหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆความรู้สึกทั้งหลายก็จะอยู่ชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วทุกข์ก็ชั่วคราวนะ อาการของจิตทุกอย่างก็ชั่วคราวเช่นจิตวิ่งไปทางตาก็ชั่วคราวนะเดี๋ยวก็ดับไปจิตวิ่งไปทางหูก็ชั่วคราวเดี๋ยวก็ดับจิตวิ่งไปคิดก็ชั่วคราวเดี๋ยวก็ดับทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยเฝ้ารู้อยู่อย่างนี้เรื่อยๆถึงวันหนึ่งมันพอต้องดูจนมันพอของมันเองอย่าไปรีบพอตามใจชอบนะบางคนบอกดิฉันดูมา3วันพอแล้วดิฉันเห็นแล้วทุกอย่างเกิดแล้วดับเห็นไหมทุกอย่างเกิดแล้วดับเห็นจริงๆแต่เห็น3มวันนะ เห็นในสามวันนี้เห็นยังไม่พอสะสมกิเลนมาหลายภพหลายชาติสะสมความเข้าใจผิดมาหลายภพหลายชาติมาเจริญสติสองวันสามวันไม่พอนะเราเจริญสติบ่อยๆเราดูไปเรื่อยถึงวันหนึ่งมันพอมันหลุดของมันเองไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะจิตบรรลุมรรคผลนิพพานของมันเองเมื่อสติเมื่อปัญญาแก่กล้าพอแต่สติปัญญาจะแก่กล้าได้เองไหมไม่แก่กล้าเอง เราต้องพัฒนาขึ้นมาหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆแล้วสติเกิดรู้สภาวะไปนะใจไม่ตั้งมั่นรู้ทันจนกระทั่งใจมันตั้งมั่นขึ้นมาพอใจมันตั้งมั่นถึงมันจะสักว่ารู้สักว่าเห็นสภาวะได้คราวนี้จะเห็นเลยทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปกระทั่งตัวจิตที่ตั้งมั่นก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเนี่ยจะเห็นทุกอย่างเกิดดับหมดเลยกระทั่งตัวจิตผู้รู้นะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้บ่อยๆ ดูไปจนหมดแรงนะดูจิตไม่รู้เรื่องก็มาดูกายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปบางทีกวาดบ้านถูบ้านนะทำงานไปเรื่อยๆจิตมันเกิดมีแรงขึ้นมามันกลับมาดูจิตได้อีกเช่นกวาดบ้านอยู่แล้วเกิดโมโหขึ้นมาว่าคนอื่นมาทำสปกปรกเนี่ยกลับมาดูจิตได้ละนะแต่ถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่รู้เรื่องก็ทำความสงบ ความต ส, สงบไม่ยากอะไรนะกรรมฐานที่ง่ายๆเรียกว่าอนุสติอนุสติแปลว่าการตามระลึกการตามรู้นะให้เราคอยระลึกคอยรู้คอยตามคิดถึงธรรมะสิอย่างเช่นเราคิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆหรือไปอ่านพุทธประวัตินะอ่านไปแล้วจิตใจเราแช่มชื่นมีความสุขขึ้นมาหรือเราไปศึกษาธรรมะฟังซีดีหลวงพ่อไปฟังแล้วจิตใจแช่มชื่นมีความสุขขึ้นมาแล้วเรามีสติรู้ว่ามีความสุคนี้เรากลับมาดูจิตได้ละ นะหรือคิดถึงครูบาอาจารย์นะคิดถึงพระสงองค์เจ้าตั้งแต่สมัยพุท ธ, ธกาลศึกษาพุทธประวัติศึกษาสาวกประวัตินะพระองค์โน้นท่านทําอย่างนั้นอย่างนี้อ่านประวัติท่านแล้วจิตใจเราเพืเขมิมจิตใจเราเบิกบานขึ้นมามีความสุขขึ้นมาเรารู้ทานลงไปอีกเนี่ยอย่างนี้เราก็กลับมาดูจิตได้ล้หรือเราพิจารณาความตายนะชีวิตนี้ไม่แน่นอนเดี๋ยวเราก็ตายล้วเลยนะ คิดไปคิดไปนะใจมันสลดขึ้นมารู้ว่าใจสลดนี่กลับมาดูจิตได้ล้เห็นไหมง่ายๆนะไม่ยากอะไรหรอกลองไปหาอ่านเอานะอนุสติสิมนง่ายหลวงพ่อไม่ได้สอนกรรมฐานที่ละเอียดกว่านั้นเพราะว่าถ้าทําไปถึงชาญถึงอะไรพวกนี้นะต้องควรจะอยู่กับครูบาอาจารย์ละเอียดเกินไปเดี๋ยวเพี้ยนง่ายๆนะงั้นเอาแค่ละลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ละลึกถึงทานละลึกถึงศีลละลึกถึงความตายละลึกถึงร่างกายตัวเองอย่างงี้ ใจก็พอจะตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วมีความสุขขึ้นมาพอนะใจมีความสุขมีความสงบ ก, ก็มารู้จิตใ จ, จต่อนะถ้ารู้ใจไม่ได้ก็รู้เห็นร่างกายมันทํางานดูกายดูใจไม่ออกก็มาทําความสงบขึ้นมาอีกเนะี่ยวนเวียนอยู่อย่างนี้นะวันหนึ่งเราก็จะได้ธรรมะของจริงขึ้นมาไม่เสียหลายที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธนะไม่เสียหลายถ้าเรายังไม่ได้ธรรมะเลยก็เรียกว่าเรายังไม่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เรานับถือพระพุทธเจ้าไปอย่างนั้นเองนับถือตามๆกันไปเราไม่รู้หรอกว่าพระพุทธเจ้าตัวจริงเป็นยังไงพวกเราอย่าเสียใจนะว่าเราเกิดมาในยุคที่พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วสิ่งที่ตายไปแล้วนั่นเป็นแค่ร่างกายของท่านนะเป็นแค่ร่างกายเป็นแค่ขันของท่านหรอกนะทำแท้ๆไม่ได้ตายไปไหนเลยถ้าพวกเราภาวนานะเราจะมีความรู้สึกเหมือนเราอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเลยเหมือนลูกมีพ่อมีแม่ ใจิตใจมีความสุขมีความอบอุ่นมีความเบิกบานพ่อเรายัางไม่ได้ตายไปไหนนะงั้นบางคนก็เสียใจไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าบางคนเสียดายไม่ได้เจอหลวงปู่มั่นถึงไปเจอท่านก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเห็นไหมไปเจอวัตถุไม่เสียดายไม่ได้เจอหลวงปู่ดูลบางคนก็เสียดายมากกว่านั้นอีกเจอหลวงปู่ดูละมัวแต่ไปขอเหรียญเออพวกนี้น่าเสียดายจริงๆเลย เรียกว่าเอาประโยชน์อันน้อยจึงประโยชน์อันใหญ่นะเลยบอกว่าไม่ได้เจอหลวงพ่อเนะี่ยพวกเราไม่เห็นหลวงพ่อหรอกนี่เห็นอะไรนี่เห็นวัตถุเ ห, หวัตถุที่รวมกันขึ้นมาเป็นร่างกายอันนี้กับวัตถุที่รวมเป็นร่างกายของพวกเรามันก็อย่างเดียวกันนะั่นแหละเราเห็นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นหลวงพ่อหรอกนะถ้าเราเข้าใจธรรมะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะถึงจะเข้าใจนะ ว่าพระพุทธตัวจริงเป็นยังไงพระธรรมตัวจริงเป็นยังไงพระสงฆ์ตัวจริงเป็นยังไ ง, ง, ง, ไ ง, ง, ง, ง, ไงถ้าใจของเราได้ธรรมะใจเราเป็นพระสงฆ์เราถึงจะรู้ใจของพุทชนยังสัมผัสอะไรไม่ได้จริงหรอกนะสัมผัสเข้าไปก็มีแต่ความคิดความนึกหรือสัมผัสเข้าไปก็เจอแต่นิมิตเช่นนั่งไปแล้วอู้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาบางคนก็ภาวนาอยู่ได้ยินหลวงพ่อไปสอนนะมีเหมือนกันนะเยอะแยะไปหมดเลยบอกหลวงพ่อไปสอนเนี่ยวันนั้นหลวงพ่อไปสอนหนู หลวงพ่อไม่ได้ออกจากวัดเลยหลวงพ่ออยู่ไปสอนใจหนูใช่ไหมใจหนูฟังธรรมะแล้วมันถ่ายทอดขึ้นมางั้นเราภาวนานะวันหนึ่งเราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรยัยเราจะได้เป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะวันนี้เท่านี้พอเหลือกี่คนมีกี่คนวันนี้ยี่สิบเีชลอ <laughs> เบอร์นหนึ่งอยู่ไหนครับเบอร์นหนึ่งเมื่อก่อนนะเห็นครูบาอาจารย์เทศท่านไม่ตรวจกันบ้านนะ แค่สมชั่วโมงก็เทศได้นะไม่ค่อยเหนื่อยหรอกตรวจการบ้านเนี่ยเหนื่อยเหมือนจับลิงใส่กระดง้งไม่ใช่จับปูนะจับลิงใส่กระดง้งลิงมันไวกว่าปูอีกอ้าวไปไหนละอยู่ไหนกับนรมาส ก, การหลวงพ่อค่ะคว่าไปเลยดังๆค่ะเออคืนหนูจะสวดมนต์เชฟคะแล้วพอสวดเสร็จแล้วตอนกลางคืนเนี่ยค่ะ หนูนอนแบบรู้สึกเหมือนตัวเองนอนไม่หลับค่ะ hmm. อพอเหมือนมันตื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วพอตื่นมาหนูก็เหมือนรู้สึกไม่ได้นอนค่ะก็จะง่วงๆทั้งวันจนแล้วทีนี้หนูก็เลยเลิกสวดมนต์ค่ะเ <Le a. S 2> รอํะไมล่ละกลัวง่วงเหรอกลัวไม่ค่ะเหมือนตอนนอนแล้วความรู้สึกคือมันแบบมันไม่หลับอะค่ะหลวงพอ่อหนูจริงๆ<น>ร่างกาย ม, ม, มันหลับนะมันมีสองส่วนอันนึงร่างกายหลับอันนึงจิตหลับ เวลาที่เรารู้สึกว่าเราหลับหลับเนี่ยก็คือจิตมันหลับไปด้วยร่างกายมันก็หลับแต่ถ้าเราภาวนาสติเรามากเนี่ยเราจะพบความจริงอันหนึ่งว่าจิตเนี่ยมันหลับแป๊บเดียวจิตของคนทั่วไปถึงไม่ภาวนาก็หลับแป๊บเดียวนะแต่ว่าเวลาที่เหลือน่นเอาไปฝันมันนอนแป๊บเดียวแล้วแล้วมันก็ขึ้นจิตขึ้นมาทํางานฝันน้นฝันนี่ไปฟุ้งซ่านไปแต่ผู้ภาวนาเนี่ยพอจิตมันนอนหลับพอมันจิตมันตื่นกายมันนอนหลับอยู่นะ บาง ท, <ช>ทีเห็นร่างกายนอนกลนครอกๆอยู่ได้เลยเคย<ช>เป็นไหมเคยเป็นค่ะเหมือนเหมือนตอนรู้สึกพลิกตัวคือหนูก็รู้สึกเหมือนเห็นร่างกายเ อ, อร่างกายมันนอนนะร่างกายไม่ตื่นหรอกตอนน้นสั่งให้กระดิกนิ้วยังกระดิกไม่ได้เลยเพราะงั้นอย่าไปกังวลจริงๆนะร่างกายมันยังนอนอยู่<ช>แต่จิตโดยตัวหอมมันเองมันไม่ค่อยจะนอนอยู่แล้วเวลาที่ผ่านมานั้นจิตก็เอาแต่ฝันฟุ้งซ่านไปแต่ว่าเราเจริญสติมากๆเนี่ยพอจิตมันตื่นแล้วมันก็เจริญสติของมันอยู่ นะเราได้กำไรนะแต่ทำไมเรารู้สึกง่วงเหงาเหานอนเพราะใจของเราเองเนี่ยไปท้อแท้ขึ้นมาว่าเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับถ้าใจเราไม่ท้อแท้นะเราจะรู้เราจะตื่นเราจะเบิกบานนะร่างกายมันนอนพอแล้วตัวที่นอนไม่พอคือใจเราต่างหากนอนไม่พอไม่ใช่ว่าใจนอนไม่พอจริงๆนะแต่นอนไม่พอใจ <laughs> อยากให้นานกว่านั้นจริงๆจิตไม่นอนนานหรอก ถ้าจิตไม่มีกล้ามเนื้อที่จะต้องพักผ่อนนะแล้วไงอีกอย่าไปกังวลนะถ้านอนไม่หลับภาวนาไปแล้วรู้สึกตัวตลอดคืนพลิกซ้ายพลิกขวารู้ตลอดแล้วเรากังวลเนี่ยนะตื่นขึ้นมาเราจะป้อแป้เลยเพราะเราจะสะกดจิตตัวเองเราไปปลูกฝังความรู้สึกลงไปโอ้เมื่อคืนนอนไม่พอวันนี้ต้องงัวเงียไว้ก่อนจริงๆไม่ใช่เลยนะอย่าไปกังวลมันก็คือหนูก็คือปล่อยไปใช่ไหมคะเหมือนปล่อ<า>ยไปยเรื่อยๆ ก็คอยรู้อย่างที่มันเป็นขอบคุณค่ะอ้าวต่อไปรามนนมัธย ก, กาลุงพ่อคะ่ะก็ขออาหสิกรรมลงพ่อก่อนนะคะคือหนูเคยไปนั่งสมาธิมาแล้วก็รู้สึกปวดหัวหนูก็เลยเลิกนั่งพอตอนอหลังหนูก็เลยมาขยับมื อ, อมแล้วก็รู้สึกตัวในชีวิตประจำวันหนูเข้าใจว่าหนูรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างไม่ทราบว่าถูกไ้มคะเข้าใจถูกแล้วถ้าเข้าใจว่ารู้สึกตัวตลอดเวลาเนี่ยเข้าใจผิดเนอะ เข้าใจถูกแต่เราต้องไม่ประคับประคองใจนะใจเป็นไงรู้ลูกเดียวเลยอย่างสายลงพ่อเตียนเนี่ยท่านขยับมือขยับเพื่ออะไรขยับเพื่อจะรู้สึกนะท่านเรียกว่าขย่าธาตุรู้ปลุกตัวเองให้รู้สึกตัวเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วเพ่งใส่มือนะไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วคิดเรื่องมือถ้าเพ่งใส่มือหรือคิดเรื่องมือก็สุดโต่งเข้าไปสองฝั่งเหมือนกันนะนั่นเราแค่รู้สึกขยับไปแล้วรู้สึกเผลอไปแล้วก็รู้เผลอไปแล้วก็รู้ขยับเพื่ออะไรเพื่อจะรู้ทันจิตนั่นเอง หลวงพ่อเตียนถึงสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตไปคิดเนินได้ต้นทา ง, งการปฏิบัติรู้ว่าจิตไปคิดไม้มเราขยับไปเงี้ยใจแอบไปคิดปุ๊บรู้ทันว่านีไปคิดแล้วเนี่ยเรียกได้ต้นทางต้นทางตรงไหนตรงที่ใจมันจะตื่นขึ้นมาพอใจตื่นขึ้นมานะบางทีสติจ ะ, ะระลึกรู้กายบางทีสติก็ไปรู้เวทนาบางทีสติก็ไปะระลึกรู้จิตเอาแน่ไม่ได้ว่าจ ะ, ะระลึกอะไรเพราะฉะั้นตรงที่สติที่แท้จริงเกิดเนี่ยจะไม่มีสายกายสายจิตอีกต่อไปแล้วมีแต่ว่าขณะนี้มีสติ ขณะนี้ขาสติบางทีสติรู้กายรู้เวทนารู้จิตทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปรู้แสดงใจรักเท่าๆกันหมดเลยนะจะไม่ได้รู้อันเดียวนะงั้นถ้าใครภาวนาแล้วรู้แต่กายอย่างเดียวหรือรู้แต่จิตอย่างเดียวเนี่ยก็กลายเป็นเพ่งกายเพ่งจิตผิดอีกแล้วนะงั้นอย่าไปประคองนะปล่อยไปใจมันเริ่มตื่นแล้ตอนเนี้ยขอบคุณค่ะแต่ไม่ตั้งมั่นดูออกไหมคงจะใช่ค่ะเออคงใช่แหละไม่ได้หลอกหรอกอ้า ส่วนคนที่ส่งกันบ้านคนแรกอ่ะอย่าไปประคับประคองจิตให้นิ่งติดสมถะนะไม่ประคองอยู่อย่าประคองปล่อยมันไปเลยให้มันทํางานเอยวไปกดเอาไว้ถ้ากดไว้มันไม่แสดงไตร ล, ลักษณ์คนที่สามกราบนมาสักการหลวงพ่อค่ะคือว่าก่อนจะนอนนะคะก็คือเคยเค ย, เคยลองดูลมหายใจเข้าออกะคะ่ะก่อนจะนอนนะคะอืแล้ว สักระยะนึ่งค่ะมันจะหายไปเลยค่ะแล้วก็ตามไม่ทันนะคะแล้วก็เลยมีความสงสัยนะคะว่าอตอนเรานอนไปแล้วะคะ่ะจิตเราไปไห น, นะค่ะจิตลงพวังนะจะเข้าสมาธิเข้าฌานหรือไม่เข้าฌานอะ่ะตอนที่นอนหลับนี่จิตมันก็ลงพวังไปนะจิตมันไม่ขึ้นมารับรู้อารมณ์ใหม่จิตไปรู้อารมณ์เก่าๆค่ะแล้วก็เคยเคยที่เคยรู้ว่าค่ะว่าจิต จิตมันจะไม่อยู่นิ่งอะค่ะแล้วก็เคยสงสัยว่าถ้าเกิดตอนเรานอนนะคะจิตมันอาจจะไปที่ไหนก็ได้แล้วก็กำลังสงสัยว่าแล้วจิตมันกลับมาถูกได้ยังไงอะคะจิตมันไม่ได้กลับมานะจิตมันเกิดแล้วมันก็ดับนะจิตหลงไปคิดเกิดขึ้นมาแล้วมันดับไปมันเกิดจีดอีกด ว, ดวงหนึ่งทําไมมันมาเกิดที่เดิมนี่ได้อีกเพราะกรรมยังหล่อเลี้ยงไว้ยังไม่ตายนะอย่าสงสัยคําถามทั้งหลายเนี่ยยังไม่เกี่ยวกับการปฏิบัตินะ ให้คอยรู้สึกกายรู้สึกใจลงปัจจุบันไปนะรู้สึกเอาเรื่อยๆรู้สึกไปอย่าประคองให้นิ่งรู้สึกไหมหประคองอย่าไปประคองให้รู้อย่างที่เขาเป็นนะบางคนถามเมื่อวันก่อนมีคนมาถามบอกขอให้หลวงพ่อแสดงปฏิจจสมุปบาทแสดงให้ใครฟังอะ่ะใจของเราอย่าไม่ได้พร้อมจะฟังเราก็อย่าไปฟังฟังไปก็ฟุ้งซ่านหรอกเปล่าเราดูสภาวะที่เราเห็นจริงๆนะเราได้ประโยชน์ รู้สึกอยู่ที่กายที่ใจน ะ, ะเวลานอนหลับนะัจิตก็ลงาวังไปแล้วประเดี๋ยวก็เคลื่อนในาวังนะที่เคลื่อนขึ้นมาก็ขึ้นวิถีนิดหน่อยนะเช่นฝันอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ทันจะมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นจิตก็ตกภวังใหม่ก็มีนะจิตฝากเคลื่อนขึ้นมาฝันไปแล้วเกิดกิเลสขึ้นก็ได้เกิดกุศลขึ้นก็ได้นะหลวงพ่อจะไม่เคยปฏิบัติทำหลวงพ่อช่วยแนะนำหนะครับ ว่าอะไรนะหลวงพ่อฝังไม่ค่อยออกไม่เคยปฏิบัติธรรมขอหลวงพ่อช่วยแนะนำหน่อยครับไม่ใช่ธรรมของหลวงพ่อหรอกนะหัดจเจริญสติไปรู้จักคําว่าสติไหมรู้จักคําว่าเผลอไหมรู้จักเผ ล, ลอบ่อยไหมวันหนึ่งบ่อยถ้าเผลอบ่อยคําว่าเผลอนะตรงข้ามกับสติเมื่อไหรเรารู้ว่าเผลอไปเมื่อนั้นสติจะเกิดขึ้นเองมันจะเกิดสิ่งที่ตรงข้ามขึ้นมาเลยนะแม้ถ้ารู้ว่าเผลอเราก็รู้สึกตัวขึ้นมา อย่าตอนนี้ถลำลงไปเพ่งแล้วรู้สึกไหมถลำลงไปเนี่ยขาดสติเหมือนกันนะจะขาดสติแล้วจิตมันไหลปุ๊บปุ๊เข้าไปข้างในนะให้เราคอยรู้ทันไปเรื่อยการเรียนธรรมะไม่มีอะไรมากนะการเรียนธรรมะเนี่ยคือการมีสติตามรู้กายรู้ใจลงไปเรื่อยๆดูว่าจริงๆเขาเป็นยังไงนะเอี่ยงตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมเวลาที่หนีไปคิดนี่เรียกว่าขาดสตินะ เวลาที่รู้สึกกายรู้สึกใจได้เขาเรียกว่ามีสติอยู่ใครฝึกให้มีสติเพั้นเวลาหลงไปแล้วรู้หลงไปแล้วรู้เนี่ยสติจะเกิดขึ้นเองเนี่ยหลงไปอีกแล้วทราบไหมมันหลงไปคิดนึกออกไหมมันไหลไปคิดครับต่อไปนี้ให้กันบ้านนะต่อไปนี้ให้กันบ้านวนะ่าถ้าจิตหลงไปคิดนะรู้ไวๆไปทําเอานะครับรับปากแล้วนะครับครับ กลับมาสัการหลวงพ่อครับออยากถามหลวงพ่อสองข้อครับข้อแรกใช้การปฏิบัติหลายวิธีครับคือฟังซีดีหลวงพ่อด้วยแล้วก็อดูจิตด้วยแล้วก็ดูกายด้วยอืแล้วก็ถ้าเอจิตเหนื่อยแล้วก็ใช้ภาวนาด้วยครับครับก็ดีแล้วเนี่ยฟังซีดีหลวงพ่อเพื่ออะไรเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติ พอรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็มีสติรู้กายบ้างมีสติรู้จิตบ้างพอรู้กายรู้จิตไม่ได้ก็ทําความสงบเข้ามาก็ต้องเดินอยู่อย่างเนี้แต่ต้องคอยสังเกตนะจิตมันชอบแอบไปสร้างภพมันสร้างสภาวะอันใดอันหนึ่งขึ้นมาขณะนี้ก็สร้างภพอะไรตอบหลวงพ่อได้ไหมจิตสร้างอะไรขึ้นมาดูออกไหมประคองกับกดมันประคองกดไว้แล้วก็อยู่ไปจิตติดอยู่ในความนิ่งๆอันนี้ก็คือภพอันหนึ่งเหมือนกัน เป็นพพของนักปฏิบัติเป็นพพของคนรักดีใจก็แน่นๆรู้สึกไหมก็ทุกแบบคนดีเห็นไหมถ้าทําชั่วนะัก็แน่นๆแบบคนชั่วนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปสร้างพพอะไรขึ้นมาก็คอยรู้ทันเอานะแล้วไงอีกก็สุดท้ายก็คือตอนไปฟังธรรมหลวงพ่อที่สุขโขทัยอะครับแล้วจิตมันไปห่วงชาวพูดว่าเวลาเราไปวัดที่เขามีการสร้าง เทพจตุคามหรือเทพองค์อื่นบ้างนะครับไปจําได้ว่าหลวงพ่อบอกว่ า, าถ้าเป็นพาสเสขาดเนี่ยจะยึดมั่นในพระปัตนาตายอย่างเดียวไม่เชื่อเรื่องเทพยอย่เงี้ยครับไม่ใช่นะไม่ใช่ ค, คือชาวพุทธไม่ใช่ปฏิเสธเทวดานะครับชาวพุทธบูชาเทวดาได้ไหมบูชาได้พระเจ้าสอนด้วยซ้ํำไปแต่ไม่ได้นับถือในฐานะสาระที่พึ่งที่อาศัยเพื่อความพ้นทุกข์ เราเคารพเทวดาในฐานะที่เป็นคนดีเพราะงั้นเวลาเราเคารพเทวดาเนี่ยเราเคารพในคุณธรรมของเทวดาไม่ใช่เคารพตัวเทวดานะรเราเคารพคุณธรรมที่ทําให้เขาเป็นเทวดาคือการที่เขามีฮิริโอตัปปะนะแล้วก็น้อมนำธรรมะของเทวดามาสู่ใจของเราบ้างอย่างนี้เรียกว่าเราเคารพเท ว, วดาเป็นคเคารพเท ว, วดาไม่เป็นไรนะบูชาเท ว, วดาไม่เป็นไ ร, รมันก็คือการบูชาคนดีนั่นเอง บ, บูชาคนดีแล้วก็น้อมนําเอาความดีของเขามาทําบ้างนะงเท่าอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ไปคิดว่าเขาจะมาช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้เพราะตัวเขาก็ไม่พ้นทุกข์เหมือนกันครับแต่เทวดาที่พ้นทุกข์ก็มีนะ ค, คือท่านผู้เป็นพระอระหันต์อยู่ในเทวโลกในพรหมโลกก็มีไม่ใช่ไม่มีงั้นไม่ใช่เราไปดูถูกเทวดาหรอกรแต่ว่าเราไม่ได้นับถือในฐานะสารณะนะกลนะับขอบพระคุณครับ น, นมสัส ก, การหลวงพ่อนะคะคือว่าตอนนี้ตื่นเต้นมาคือมีคําถามอยากจะถามอะคะ่ะคือว่าเพิ่งปฏิบัติเพิ่งฝึกปฏิบัติได้ไม่นานแล้วก็สักประมาณปลายเดือนที่ละคือที่ผ่านมาก็คือรู้สึกตัวคือรู้สึกว่าใจกําลังเกิหรือกําลังรู้สึกถึงอารมณ์แต่ทีนี้พอเมื่อมาสิ้นเดือนที่แล้วรู้สึกว่าใจแน่นๆเวลาเวลารู้สึกก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยทําอะไรผิดหรือเปล่าผิดสิต้องไปเพ่งไว้ พาไปเห็นเช่นเห็นจิตหลงไปแล้วก็ไม่ชอบนะไปกดเอาไว้ไปดึงเอาไว้ไปกดเอาไว้มันก็จะแน่นๆขึ้นมาเราก็เลยพยายามแบบแก้ด้วยการแบบปล่อยให้ตัวเองเผลอแล้วก็รู้สึกตัวว่าว่าว่ากำลังเผลออยู่ไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าแก้มันก็ไม่ถูกหรอกนะความจริงไม่ต้องไม่ต้องแกล้งเผลอมันก็เผลอเรื่อยๆบางทีเพ่งอยู่ยังเผลอเลยนะ แต่ว่าถ้าจําเป็นมันติดอยู่นานจะแก้สัหน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่อย่ากแก้จนเคยชินนะการแก้ก็คล้ายๆกินยากแก้ปวดอ่ะกินเท่าที่จําเป็นแต่มันไม่ได้แก้โรคนะเราพยายามเจริญสติให้มากรู้กายรู้ใจให้มากทําไมไปเพ่งที่ไปเพ่งเพราะว่าอยากปฏิบัติหรือว่าอยากดีมีความอยากซ่อนอยู่ข้างหลังถ้าเราเห็นความอยากอันนั้นนะความอยากดับไปมันก็มันก็เลิกเพ่งไปเองอะ่ะต้องแก้ที่ต้นเหตุของมันโดยการรู้ทันกิเลสที่ผลักดัน ให้เกิดการสร้างคบสร้างชาติแล้วก็สร้างทุกไอ้แน่นนั่นแหละตัวทุกแ์ละนะแล้วถ้าไม่ทราบอะค่ะว่าอยากคือแบบไม่ไม่ทราบว่าอยา ก, กต้องทุกข์ต่อไปอ เ, เพราะว่าเหตุของทุกข์ยังมีอยู่นความอยากเป็นตัวสมูทยัยใช่ไหมเป็นเหตุของทุกข์ถ้าเราไม่รู้ทันความอยากยังมีอยู่ความทุกข์ก็ต้องมีอยู่ไม่มีใครช่วยเราได้เลย งั้นหน้าที่ของเราค่อยๆพัฒนาสติปัญญาของเราไปนะค่อยรู้ทันความอยากใดๆที่เกิดขึ้นในใจรู้เล่นๆไปกระทั่งอยากรู้ว่าตอนนี้มีความอยากอะไรแค่อยากรู้ว่า น, นี้ก็เป็นอยากเรียบร้อยละค่อยๆฝึกค่อยๆพัฒนาทีแรกเราจะเห็นแต่ความอยากที่หยาบๆแต่อมาอยากเล็กอยากน้อยเราก็เห็นนะมันก็ครับงําใจไม่ได้ใจไม่ทุกข์หรอกพอใจไม่ทุกข์เราก็ยศึกแม้ใจมีแต่ความสุขเนี่ยต่อไปก็ต้องพัฒนาสติปัญญาขึ้นไปจนเห็น ใจนี้ก็เป็นตัวทุกข์อีกนะเป็นอีกขั้นหนึ่งขอบคุณค่ะอย่างถ้าอยากอยู่ทำยังไงจะไม่ทุกข์ไม่ได้เพราะอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์น อ, อปฏิบัติจากการฟังซีดีหลวงพ่อฮนะแต่ไม่ไม่ทราบบางทีสังเกตไหมว่าฉิตกับกายก็เริ่มแยกออกจากกันดูดบ้างไหมครับนะรู้สึกไหมมันห่างห่างออกไป สังเกตไหมว่ากิเลส ท, ทั้งหลายหรือความสุขความทุกข์ทั้งหลายนะมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปมันเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านนะถ้าดูเป็นนะถ้าดูไม่เป็นนะก็จะวิ่งตามกิเลสออกไปบางทีก็ไปลากเอากิเลสเข้าบ้านมาก็มีนะต้องไงล่ะมีข้อบกพร่องอะไรต้องแก้ไหมครับขณะนี้ประคองไว้ดูออกไหมการปฏิบัติเนี่ยมีสองส่วนนะสมถากับวิปัสสนาสมถานี่ถ้าไม่ดีต้องทําให้ดี ไม่สงบทําให้สงบต้องคอยแก้มันแก้เสร็จแล้วต้องคอยรักษาแต่วิปัสสนาให้รู้อย่างที่มันเป็นเพราะฉะนั้นจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุงรร้งซ่านจิตไปเพง่งรู้วเพง่งจิตเป็นญงรู้มันลูกเดียวเลยไม่ต้องแก้หรอกอยู่ที่เรารู้ทันสภาวะที่จิตไปติดไปคล้องไหมยอยังขนณะนี้ยสภาวะที่จิตไปติดอยู่คืออะไรดูออกไหมไปประคองให้นิ่งดูออกไหมมีการประคองใจใจนิ่งกว่าความเป็นจริงดูออกไหมตรงนี้ขอบคุณครับ นมัสการเจ้าข้าหลวงพ่อตอนนี้ใจเต้นตึกๆึกตึกมากเลยค่ะอย่าให้หยุดนะเต้นไว้จะถามนามัสการถามหลวงพ่อสองข้อนะคะข้อที่หนึ่งขอวิหารธรรมที่โยมจะสามารถร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกได้นะเห็นกายทํางานไปเรื่อยๆใจเป็นคนดูร่างกายมันนั่งใจเราเป็นแค่คนดูร่างกายมันยืนใจเป็นแค่คนดูทําได้ใช่ไหมตรงนี้ได้เจ้าค่ะอแล้วก็ระวังนิดเดียวอย่าไปประคองใจให้นิ่ง ดูสบายๆดูด้วยใจที่ปลงลงเบาขณะนี้ประคองแรงไปนะเอากายเป็นวิหารธรรมไปนะ <Okay. S 2> เห็นกายมันทำงานยืนเดินนั่งนอนใจเราเป็นคนดูคุณฝ <Okay. S 2> ึกมาแต่เดิมมันเป็นอย่างนั้นเราฝึกต่อยอดตรงนี้หละเจ้าค่ะข้อที่สองนะเจ้าคะ่ะเวลานั่งสมาธินะเจ้าคะ่ะจะมีความรู้สึกมันจะแน่นตั้งแต่หน้าอกขึ้นมามาถึงหน้าแล้วก็เหมือนกับมึนเลยเจ้าคะ่ะเราไปข่มจิตมากไปเวลานั่งสมาธิไม่ใช่นั่งบังคับจิต นั่งสบายๆนั่งรู้สึกกายนั่งรู้สึกใจนั่งดูกายนั่งดูใจไปนะเขียวไปน้อมใจบังคับใจให้นิ่งเนี่ยเริ่มรู้สึกไหมเราน้อมเข้าไปตรงนี้ไม่ทำทาแล้วถึงได้มื่นหัวนแหละเนี่ยใจถลาลงไปดูแล้วเห็นไหมใจไหลลงไปดูใจไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตไม่ตั้งมั่นอะไปคนตอน่อไปนรสกาหลวงพ่อครับเต้นมาก เออผมเพิ่งมาใหม่ครับผ ม, มมรผมขอความเมตตาหลวงพ่อให้วิหารธรรมผมนะครับดูจิตไปก่อนเลยนะดูจิตนะของคุณทําความสงบยังไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นดูจิตไปก่อนคนไหนทําความสงบได้ทําความสงบเข้ามาแล้วมารู้กายนะของคุณก็ดูจิตไปเลยอย่างโยมผู้หญิงนั้นแ่ะเขาชอบทําความสงบมานานงั้นให้เขาดูกายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูนะของคุณมันไม่ยอมสงบให้ดูใจที่ทํางานไปเรื่อยๆแล้ว ปกติตอนเย็นผมก็จะนั่งสมาธิตอนเย็นๆ ย, ย่าเงี้ยเป็นประจำอยู่แล้วอย่างนี้ทําต่อไปได้ไหมครับทําให้เป็นปกตินะนั่งก็นั่งรู้สึกตัวยืนก็รู้สึกตัวเดินก็รู้สึกตัวเป็นปกตินะแต่คอนเซนเทรตอยู่ในอารมณ์เดียวเช่นเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆไม่วอกแวกไปที่อื่นรู้อยู่ในอารมณ์มันเดียวคือรู้อยู่ที่กายเห็นมันหายใจไปอะไรเงี้ยนะแต่ไม่ได้บังคับใจให้ซึมไปด้วย พวกเราเวลาลงมือทําความสงบเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเราทำนะคือน้อมใจให้ซึมเพราะเราไปคิดว่าความสงบกับความซึมเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันคนละเรื่องเลยนะเวลาที่จิตรวมลงไปอย่างแท้จริงนะบางทีร่างกายหายไปนะสติยังไม่ขาดเลยยังรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดสายเลยเพรานั้อย่าเริ่มต้นการทําสมาธิด้วยการน้อมใจให้ซึมพยายามรู้สึกตัวไว้ก็คือตอนนี้ก็ก็ดูจิตไปก่อนใช่ไหมครับดูจิตไปเลยดูจิตไปเลยเออไม่ใช่ดูจิตไปก่อน ครับหน้าต่อไปเห็นไหมขาดสติตอนยื่นไม้นึกออกไหมเผลอเออรู้ว่าเผลอไม่แค่นี้เองนะไม่ใช่ห้ามเผลอยื่นไม้ก็อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นะกลับนรศการหลวงพ่อค่ะให้หลวงพ่อช่วยดูวิธีทใช้ได้อยู่แล้วไปทําต่อไป <im Tudo> ใจมันตื่นขึ้นมาแล้วคอยรู้สึกเอามันรู้กายบ้างรู้ใจบ้างนะ ถึงเวลาก็ทำในรูปแบบทําความสงบเดินจงกรมทําสมาธิแล้วก็ทําไปที่ฝึอกอยู่ก็ใช้ได้แ ล, แล้วอีกเรื่องหนึ่งคือหนูรู้สึกว่าเสือคนรอบข้างลำพานคนรอบข้างอะไรเงี้ยชอบ<ะ>อยู่คนเดียวรู้สึกลำํำพานคนรอบข้างอ่ะไปทําอะไรคนรอบข้างไม่ใช่หมายว่าการแบบกันหมู่มากๆเงี้ยหนูรู้สึกไม่ไม่ค่อยชอบอะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบนะนักปฏิบัติที่แท้จริงเนี่ยไม่มีความเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมเลย อยู่ในสิ่งแวดล้อมไหนก็ได้อยู่ที่บ้านนี่ก็ภาวนาอยู่บนถนนรถติดยังไงก็ภาวนานะไม่ใช่ว่าจะรักอันนี้จะเกลียด น, นั้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นตรงไหนที่ไม่ชอบนั่นแหละไปภาวนามันตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละกิเลสเยอะดีคบหลวงพ่อนะภาวนาได้ดีที่สุดนะตอนทํางานอยู่ที่ทํางานแรกๆนะโอ้ยเครียดตลอดเลยตรงนั้นแหละภาวนาดี พอย้ายงานนะนายก็ดีงานก็ดีงดเงินก็ดีอะไรๆดีหมดเลยมีเวลามานั่งตอบกระทู้ในอินเทอร์เนต็ตได้ด้วยการภาวนานะไม่กระปรีก่กระเปล่าเลยสบายเกินไปเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาชีวิตเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะขยันกันแข็งในการภาวนาแต่ต้องจับหลักให้ถูกก่อนคนส่วนใหญ่พอมีปัญหาชีวิตเนี่ยอยากให้ปัญหาหายภาวนานะก็เพื่อให้ให้ปัญหามันหมดไปซึ่งไม่ใช่ ปัญหาไม่หมดไปเพราะการภาวนานะแต่ต้องภาวนามีความทุกข์ขึ้นมาแล้วมีปัญหาแล้วมันเกิดความทุกข์เนี่ยเราคอยรู้ทันนะใจไม่ทุกข์นะแล้วค่อยไปแก้ปัญหาเอาไม่ใช่ภาวนาให้ปัญหาหมดไม่หมดหรอกอย่างลูกติดยานะเราก็นั่งภาวนาแล้วแผ่ส่วนกุศลให้ลูกมันจะหายติดยาไหมไม่หายหรอกคนละเรื่องกันนะหรือบางคนนะจะไปสอบเข้ามาหาวิเลยนะมาขอพอหลวงพ่อเจ้าประคุณให้หลวงพ่อช่วยเอจีวรมาให้เรา ขอเข้ามาหาวิทยาลัยให้ได้โอ้โหเธอเลือกคณะที่ฉันไปสอบเองฉันยังเข้าไม่ได้เลย <c oughs> ใครจะไปช่วยใครใช่หไหมอาว่าไปกลับการหลวงพ่อเจ้าค่ะขอโอกาสอถามปัญหาค่ะครั้งนี้มาครั้งแรกอืมอาจจะยาวนิดนึ่งนะคะฮะอย่ายาวสิจริงๆเนี่ยปัญหาการปฏิบัตินเนี่ยไม่ยาวหรอกพงศวดานถึงจะยาว <c oughs> มีปัญหาอะไร ดูออกไหมจิตไปติดนิ่งดูออกไหมติดการเพ่งเพราะฉั้นปัญหาของคุณเนี่ยคือการติดการเพ่งอยู่ต้องปล่อยมันให้ได้นะแล้วปล่อยให้กายทํางานปล่อยให้ใจทํางานแล้วมีสติตามดูมันไปอย่าไปประคองใจให้นิ่งนะยังประคองอยู่ดูออกไหมยังไปรักษามันให้นิ่งให้ดนะีอย่าจงใจปฏิบัตินะรู้สึกไหมจิตขณะนี้ไม่เหมือนตอนที่ไม่ได้พูดกับหลวงพ่อดูออกไหม จิตตอนนี้ไม่เหมือนตอนที่ไม่ได้ปฏิบัตินึกออกไหมกลับไปเป็นคนธรรมดามีจิตธรรมดาของคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินะั่นแหละดีที่สุดเลยนะอย่าไปน้อมใจให้นิง่งให้ซึมให้ทื่อเนะี่ยจิตแอบไปคิดทราบไหมของคุณรู้สึกที่ไก่นะเห็นร่างกายมันร่างกายมันกระพริบตารู้สึกไหมนะเห็นร่างกายมันพยักหน้ารู้สึกไหมใจของเราเป็นคนดูนะแต่อย่าเพ่งให้นิ่งนะจิตเมื่อกี้แอบไปคิดดูออกไหม ทันค่ ะ, ะดูนะออกค่ะเออดูออกจิตตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันอะดูออกไห ม, มจิตตรงนี้ดีกว่าตะกี้เพราะอะไรเพราะจิตตรงนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตตะกี้ไม่ดีไม่เคลื่อนไหวไม่เปลี่ยนแปลง เ, เ, เนี่ยเริ่มน้อมเข้าไปที่นั้นอีกแล้วรู้สึกไหมอย่าน้อมไปให้นิ่งให้ซึมนะขอยออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี้ให้ได้ะถ้าเราไปน้อมให้นิ่งให้ซึมนะปัญญาจะไม่เกิดออกได้แต่ความสงบอไปคนต่อไป เห็นไหมพงศวรรษอาจารไม่สําคัญหรอกการอรุสภาวะโลกปัจจุบันไปนะอะส่งกันบ้างครับมาเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าผมกดกับเพ่งอยู่ไม่ทราบว่าตอนนี้ผมยังกดกับเพ่งอยู่ไหมครับแล้วบอกหลวงพ่อซิยังกดและเพ่งอยู่ไหมหลวงพ่อบอกให้ไม่สําคัญหรอกสําคัญว่าเห็นไหมครับเพราะว่าพอผมกลับจากหลวงพ่อแล้วผมเริ่มปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนนะครับ แล้วก็นั่งสมาธิมากสวดมนต์มากแต่ไม่ทุกวันนะครับรู้สึกว่าตัวเองมีงความขี้เกียจมากขึ้นพกอยู่ในกิเลสมากขึ้นต <Hey, S 1> ามต่างๆางพ่อไม่ได้สอนให้ขี้เกียจนะไม่ได้สอนให้ครูกกเกิดกิเลสนะความรู้สึกอะครับความรู้ ส, <อ>สึกของผมเองสอนให้คอยรู้ท <ผม S 2> ันมันครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าเบาๆโลง่ลงๆนะครับตรงเบาๆโล่งๆเนี่ยไม่ประคองรักษานะครับผมเอล้วคอยรู้กายครยรู้ใจดูมันทํางานไปได้ไม่ขี้เกียจ ดูเขาทางานไปถ้าเอไอพอโล่งๆแล้วจับไว้ในโลกนี้เสร็จเลยเอติดในความโล่งความว่างไม่ดีไม่เดินปัญญาหรอกนะอยากได้กันบ้านต่อครับผมต้องดูกายหรือดูจิตครับไปไปเดินจงกรมไว้นะเดินจงกรมไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูฝึกนี้บ่อยๆแต่ไม่ประคองจิตไว้แล้วไม่ไปเพ่งกายด้วยนะเดินจงกรมไปเห็นร่างกายมันเดินไปเรื่อยเดินไปเดินไปใจแอะไปคิดรู้วใจไปคิดนะคอยรู้กายคอยรู้ใจไป ขอบพระคุณครับของคุณปัญหาคือมันขี้เกียจตัวหลักเลยนะไม่ใช่เรื่องเผาหนาไม่เป็นแนละ้ปัญหาคือขี้เกียจนั่นแหละเพราะฉั้นทุกวันต้องมีปณิธานนะตั้งใจไว้เลยทุกวันต้องเดินจงกรมวันหนึ่งสิบห้านาทีก็พอนามส ก, การหลวงพ่อครับยังไม่เคยส่งการบ้านนะครับเคยฟังแต่ซีดีอยากจะถามว่าที่ปฏิปฏปฏปฏบัติอยู่ถูกต้องหรือเปล่าครับจิตเปลี่ยนแปลงไหมมีเห็นกิเลสบ่อยไหมเห็นครับนี่แหละก็ดีแล้วล่ะเห็นไหมกิเลสเกิดได้ทั้งวันเลย กิเลสตัวไหนเกิดบ่อยดูออกไหมหลงครับเออหลงเกิดบ่อยถ้ารู้จักหลงก็ใช้ได้แล้วถูกแล้วใช่ไหมครับถูกแล้วแต่ตอนนี้จิตเป็นไงบอกให้ชื่นใจซิหลงประคองไว้แล้วครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะกรับมนาสการหลวงพ่อนะคะก็เพิ่งเคยมาฟังทำครั้งแรกอะค่ะก็อยากจะให้หลวงพ่อแนะนํำมาค่ะว่าเออถ้าอยากจะศึกษาทางนี้หนูควรจะเริ่มยังไงก่อนค่ะหืมฟังไม่ออกอะ ก็คือถ้าสมมติหนูอยากจะศึกษาค่ะปฏิบัติก็คืออย่างที่หลวงพ่อบอกว่าให้มีสติแล้วก็รู้จิตก็คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆไปนะของคุณดูความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆไปไม่ยากอะไรหรอกค่ะแล้วก็อยากให้หลวงพ่ออวฟพรคะพอดีวันนี้เป็นวันเกิดค่ะเกิดเป็นทุกข์นะเพราะว่ามีความเกิดนี่แหละถึงมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมาเพราะฉะนั้นวันเกิดก็คือวันที่ระลึก ของความอุบัติขึ้นของความทุกข์นะเราก็คอยรู้ทันนะวันหนึ่งเราต้องพ้นทุกข์ไม่ได้ค่ะคขอบคุณค่ะกรรมนมัสการไปหาแม่ยังไปหาซะอ่าว่าไปกรรมนมัสการค่ะเคยมาส่งกันบ้านหลวงพ่อว่านั่งสมาธิแล้วมันเวลาจะเข้าผวังมันสะดุง้งและทีนี้หลวงพ่อบอกว่าติดซึมติดสมถะ แล้วก็ให้เจริญสติในชีวิตประจําวันยังไม่ต้องนั่งสมาธิแต่ตอนนี้จะมาถามหลวงพ่อว่านั่งได้ละนั่งได้แล้วแล้วก็ทําสมาถะได้แล้วได้<ช>ได้ไ<ม>ทํานะแต่อย่าน้อมใจส่วนมากพอคิดถึงสมถะเนี่ยชอบน้อมใจให้ซึมกันตัวนี้ผิดแล้ว<อ>สมถะจริงๆคืออะไรสมรถะเนี่ยนะมันไปแก้ความฟุ้งซ่านของจิตจิตปกติเนี่ยจะฟุ้งซ่านตลอดเวลาเดี๋ยวก็จับอารมณ์มันโน้นเดี๋ยวก็จับอารมณ์มันนี้ดูออกไหม จับไปเรื่อยๆทําไมมันเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆเพราะจิตนี้เที่ยวแสวงหาความสุขมันจับอารมณ์นี้มันนึกว่าจะมีความสุขนะมันสุขเดี๋ยวเดียวมันไม่สุขละมันก็ต้องไปจับอันใหม่งั้นจิตเลยฟุ้งซ่านจับมานโน้นจับอันนี้ไปเรื่อยเพื่อแสวงหาความสุขเพื่อหนีจากความทุกข์งั้นเวลาที่เราจะให้จิตสงบเนี่ยเราต้องไปเลือกอารมณ์อารมณ์ใดที่เป็นกุศลนะข้อแรกอารมณ์ที่เป็นกุศลอันที่สองเป็นกุศลแล้วก็เป็นอารมณ์ที่จิตมันชอบ จิตเราชอบจิตอยู่กับอารมณ์อนนี้แล้วจิตมีความสุขเราต้องรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขมาให้จิตมันจิตนี้คล้ายๆเด็กมันออกไปสนนอกบ้านเราก็มีวิธีทำให้เด็กเข้าบ้านอย่างสบายๆไม่ต้องบังคับกดขี่กันคือหาขนมอะไรอร่อ ย, ออ ย, ออยมาล่อเด็กใช่ไหมขนมอร่อยก็คืออารมณ์ที่ดีนั่นเองที่เด็กชอบเด็กก็กลับเข้ามาอยู่ในบ้านไม่ไปเที่ยวสนมานั่งกินขนมอยู่ จิตนี้เหมือนกันนะถ้าจิตอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขเนี่ยจิตจะไม่ฟุ้งซ่านจะสงบของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องน้อมให้สงบเราไม่ต้องบังคับเด็กให้ไม่สนหรอกว่เาเด็กมีขนมกินถูก อ, อกถูกใจเด็กไม่ไปไหนเสร็จแล้วกินขนมเสร็จแล้วนั่งอ่านการ์ตูนไม่ไปไหนเห็นไหมเพราะฉะั้นเราต้องเลือกอารมณ์ที่จิตมีความสุขและจิตจะสงบเองไม่ใช่น้อมใจให้สงบพวกเราพลาดแทนที่จะเลือกอารมณ์ที่ดีที่มีความสุขให้จิตอยู่แล้วจิตไม่หนีไปเที่ยว พวกเราชอบบังคับจิตเช่นใครบังคับไม่ให้หนีไปเลย น, นี่พวกที่หนึ่งพวกที่สองนะทำใจให้เคลิ้มละทดละทวยไปเรื่อยพวกนี้ไม่ได้เรื่องทั้งคู่เลยนะเพมาะฉะั้นทำสมถานะมีอารมณ์อันหนึ่งมาให้จิตระลึกระลึกไปอย่างมีสติรู้เนื้อรู้ตัวรู้สบายๆจิตมีความสุขจิตสงบของมันเอง กระทั่งเข้าอัปปนานะจิตรวมลงไปเนี่ยยังรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เลยนะบางทีร่างกายดับหมดเลยนะโลกข้างนอกดับหมดเลยเหลือจิตอันเดียวอยู่ยังไม่ขาดสติเลยนะเพราะฉะนั้นขาดสติมันไม่ใช่แล้วมันกลายเป็นอกุศลไปอย่างพอเริ่มนั่งสมาธิจะไม่ได้จับที่ลมหายใจไม่ได้จับที่พุโทโธเลยค่ะก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยอจับอะไร<อ>ก็ได้ถ้ารู้ลมแล้วจิตมีความสุขแล้วก็รู้ลมไปแต่อย่าน้อมใจ รู้ลมก็เห็นร่างกายหายใจไปอย่างสบายๆไม่ใช่เริ่มต้นก็ทําใจให้ซึมก่อนแล้วก็ค่อยไปดูลมอย่างนี้ก็ซึมตายเลยนะับมาสการหลวงพ่อคือผมก็เคยแต่ฟังซีดีแล้วก็อ่านหนังสือของหลวงพ่อนะะแล้วก็บางทีก็มีปัญหาคิดเองอะไรเองก็คืออยากจะถามหลวงพ่อเยอะแต่พอมาเจอหลวงพ่อแล้วก็คิดปัญหานั้นไม่ออกเลยว่าจะถา ม, อ, มอะไรอครับเลยอยากให้หลวงพ่อ ตอบคำถามที่บอกหลวงพ่อก่อนจิตขณะนี้เป็นยังไงคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะไม่ใช่อะไรอื่นหรอกคือการที่เราสามารถรู้สภาวะที่กําลังปรากฏในปัจจุบันได้เพราะงั้นขณะ น, นี้ถ้าคุณตอบว่ารู้สภาวะอะไรอยู่ถูกต้องแล้วก็ใช้ได้แล้วก็ภาวนาเป็นไหนขณะนี้มีสภาวะอะไรให้ดูบ้างตื่นเต้นตนะื่นเต้นในอันหนึ่งรู้สึกไหมไปประคองใจไว้ไปกดจิตให้นิ่งให้หายตื่นเต้นดูออกไหม ตรงที่จิตตื่นเต้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะจิตมันตื่นเต้นของมันเองแต่เราไม่ชอบที่จิตตื่นเต้นเห็นไหมมีความไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วเราก็เลยไปบังคับจิตให้นิ่งตรงที่เราไม่ชอบเราไม่รู้ทันตรงที่เข้าไปบังคับไม่รู้ทันตรงนี้แหละที่ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตตื่นเต้นไม่ใช่ปัญหานะตรงที่ไม่ชอบแล้วไม่รู้นี่ใช้ไม่ได้ไม่รู้แล้วก็เข้าไปเพ่งอยู่ไม่รู้ว่าเพ่งอีกก็ใช้ไม่ได้ เพ้ถ้าเรารู้ว่าตอนนี้ประคองอยู่ก็ใช้ได้แล้เนี่ยเริ่มประคองอีกแล้วเมื่อกี้หลุดออกมาตอนนี้กลับไปประคองใหม่ละนะไม่ประคองนะปล่อยมันตามตามรู้ไปเรื่อยๆทำรู้เล่นๆนะแล้วใจเวลาหนีไปคิดสังเกตไหมของคุณเวลาใจหนีไปคิดเนี่ยจะคิดอย่างจริงจังมากเลยครับนะให้รู้ทันเลยใจหลงไปคิดแล้วนะก็าาาบางทีก็ที่ปฏิบัติมาจากฟังซีดีแล้วก็อ่านหนังสือมานะก็คือพอบางครั้งนี่ก็เหมือนว่าพอเริ่ม เร oh, no ิ่มบางทีก็สักแป๊บนึงก็รู้ว่าเผลอหรือหลงอะไรอย่างเงี้ยก็ดีแล้วเนี่ยใช้ได้ก็ก็ก็ตามรู้ไปเรื่อยๆตารู้ไปนะจิตของคุณก็เปลี่ยนไปแล้วคุณรู้สึกไหมรู้ครับว่ารู้สึกไหมเหมือนโลกมันห่างออกไปแล้วว่าว่าเดี๋ยวนี้คือกับเมื่อก่อนที่เออไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันคือใจมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนั่นแหละใจเรียนเรียนกับหลวงพ่อนะถ้าไม่ดื้อนะล้วก็ไม่ติดเพ่งไม่คิดมากนะส่วนมากดื้อที่แก้ยาก ถ้าดื้อกับเพ่งเนี่ยนะรวมกันอยู่ในคนเดียวกันเนี่ยชาตินี้คงยากเลยนะถ้าไม่ดื้อเนี่ยยังแก้ง่ายแต่แต่บางทีก็บางทีก็มีความรู้สึกที่จะดื้อต่อต้านเหมือนกันนั่แหละรู้ทันมันไปโดยนิสัยมันชอบดื้อครับเรารู้แต่ว่าบางทีรู้แต่พอรู้ก็บางทีพอมันนึกอีกทีว่าเมันไม่ใช่ก็ก็ปล่อยปล่อยวางไปคือถ้าไม่ดื้อเนี่ยเรียนกับหลวงพ่อเดือนเดียวนะจิตชอบเปลี่ยนแล้วคุณรู้สึกไหมจิตคุณเปลี่ยนครับก็คือก่อนมานี่ ฟังซีดีมาก็ประมาณเดือนกว่าคือเมื่อก่อนนี้ก็เคยไม่ไม่ไม่เคยรู้เรื่องเลยมาเลยได้แหละเรียนจริงๆนะสักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะแล้วก็ไม่ดื้อนะไม่ติดติดเพ่งเฉยๆอยู่เนี่ยตามรู้ตามดูตามฟังไปด้วยใจมันจะถอนตัวขึ้นมารู้สึกไหมือนเหมือนใจมันแยกออกถอนตัวขึ้นมาเมื่อก่อนมันจะมเข้าไปคกมื่อก่อนเนี่ยจิมจะเข้าไปเกาะอารมณ์เป็นทุกคนแหละพอได้ฟังธรรมะนะจิมถอนตัวขึ้นถอนเองเลยก็จะสบายเออแต่อย่าประคองนะ ถ้าพอถอนออกมาแล้วมาประคองไว้จะติดอีกแล้วเขาก็มาติดประคองอีกโ อ, อ้อติดประคองไม่ดีติดอะไรก็ไม่ดีข้งนั้นแหละต้องปล่อยวางให้มันมันวางไปเลยมันวางเองประคองเรารู้ว่าประคองมีหน้าที่ให้รู้ทันนะไม่ใช่หน้าที่วางนะหน้าที่วางเป็นหน้าที่ของปัญญาปัญญาจะเป็นคนวางเองไม่ใช่เราวางหมดยังขอบคุณครับกลับน้ำสีสี่คนกลับน้ำสังงานหลวงพ่อหลวงพ่อนะครับ ก็ปฏิบัติมาก็ระยะระยะหนึ่งแล้วก็ด้วยการฟังซีดีลุงพ่อบ้างแล้วในชีวิตรประจําวันกเ็เดินจงกรมนั่งสมาธิอ่อนนอนแล้วเช้าก็มีสวมดมนต์าแล้วก็สังเกตเปลี่ยนแปลงไหมก็เห็นครับก็สังเกตดูตามรู้ตามดูอารมณ์แล้วก็ิตตลอดเวลาอยู่ใน อ, อ, อยู่ในชีวิตรประจําวันสังเกตไม่ใจเราแยกออกมาเหมือนใจเราแยกออกมาดูออกไหมเห็นบ้างครับนะ แยกอมาเราก็ไม่ประครองนะไหลกลับไปรวมเราก็ไม่ว่าค่อยรู้เฉยๆมันจะถอนตัวขึ้นมาเองในสุดจิตกับขันเนี่ยพลากออย่างกันไม่เกี่ยวกันแอยากถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้นี่ใช้ได้แล้วไปฝึกอีกนะขยันดูไปด้วยของคุณจะดูจิตนะหมอแล้วครับต่อไปครับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือตอนนี้เวลาปฏิบัติเวลา นั่งโดยไม่หลับตาจะมีความรู้สึกว่าจิตวอกแวกมากเลยก็เลยหลับตานั่งสมาธิอยู่สักพักก็รู้สึกปวดขาเพราะว่าจะเป็นโรคที่ปวดที่ข้อนะคะก็เลยนอนอทีนี้พอนอนไปก็จะหลับไปเลยเป็นใหม่สินั่งสมาธิแล้วปวดขานะก็ย้ายมานั่งเก้าอี้ออแต่ก็คือก็เลยใช้พิธีฟังซีดีของหลวงพ่อไปฟังไปนอนไปเหรอคะ แล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เหมือนไม่ได้นอนเลยทั้งคืนโอ้ดีค่ะก็เลยอยากจะได้วิหารธรรมจากหลวงพ่อค่ะว่าหนูควรจะปฏิบัติขอบคุณนะพยายามเคลื่อนไหวร่างกายไว้น ะ, ะดูกายไว้ด้วยนะค่ะถ้าเอาจิตอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะเบาไปแล้วมันจะเงียบเียบเพลินเพลินไปเพราะฉะนั้นหางานบ้านมาทาด้วย ก็เวลาทํางานบ้านก็จะเปิดซีดีของหลวงพ่อฟังไปด้วยแล้วคอยดูนะเห็นร่างกายทำงานเห็นจิตทํางานก็จากเดิมซึ่งไม่เคยรู้เรื่องเลยนะคะพอฟังซีดีของหลวงพ่อก็จะรู้สึกว่าเออมันมันรู้สึกแบบนี้นะรู้สึกไม่จะไม่เหงาหรอกใช่ใช่อยู่บ้านคนดีวไม่เหงาเลยใช่ค่ะทํางานบ้านได้เพลินมากเลยค่ะอืมดีบ้านเราเสร็จแล้วกวาดคนอื่นบ้านคนอื่ก็ได้กว่าหน้าบ้านนะเคลื่อนไหวไปค่ะท่นี้บางทีเวลาหนูนั่งสมาธิ ไปเหมือนจิตมันรวมแล้วลงไปลึกแล้วก็มันเหมือนกับจิตเราวิ่งไปเป็นโพรงอะฮะโพองลึกเข้าไป อ, อ, อย่าไหลาตามมันไปนะไม่ตามใช่ไหมจ๊ะไม่ตามมันไปนั่นคือสมาตสมาธนะนะท่านั้นนะไม่ตามะะไปถ้าตามไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดโพรงเนี้ย ตามเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่มีสิ้นสุดเพราะว่ามันไปไม่สุดแล้วก็หนูกไม่สุดหรอกไปไม่สุดดูก็กลัวเออกลแล้วอก็ไปตามมันไปมาเออค่ะก็ไม่ตามใช่ค่ะกลับอ่ไปคนต่อไปค่ะกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะมาคอบรบหลวงพ่อครั้งแรกค่ะเหลังจากที่ได้ฟังซีดีหลวงพ่อช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะ เวลาทำงานบ้านก็ทำไปด้วยฟังไปด้วยให้พ่อแม่ฟังไปด้วยให้ครอบครัวฟังไปด้วย <easy. S 2> แล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยค่ะก็จะคิดว่าเราต้องสะสมบุญสะสมบุญไปเรื่อยๆเพื่อชาติหน้าแต่หลังจากฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ความรู้สึกเปลี่ยนไปค่ะมันไม่ใช่เพื่อชาติหน้าแต่ว่าเพื่อที่จะไม่มีชาติต่อไปแล้ว oh. แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตที่เหลื อ, อนับต่อจากเนี้เราภารกิจหลักเราคืออะไรก็คือทางธรรมแล้วก็ภารกิจรองที่เราต้องทำก็คือทางโลกแล้วก็ค่อยๆตามรู้ตามดูจิตไปเรื่อยๆกายรู้บ้างไม่รู้บ้างอะค่ะแต่จิตเนี่ยเวลาเราเกิดโทสะเวลาเราทำงานหรือเจอกระทบกระทั่งกับที่ทำงานเราก็จะรู้สึกว่ากโกรธเราก็จะรู้ว่ากโกรธ เราก็ปล่อยให้โกรธไปแล้วสักพักมันก็ดับไปอืส่วนกายบางทีเร า, าไหว้พระสวดมนต์อย่างเงี้ยค่ะอย่างเมื่อคืนไหว้พระสวดมนต์จะจะจะสวดมนต์เป็นประจำเรื่อยๆเมื่อคืนเรารู้สึกเน็บชาเกิดขึ้นที่ขาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเน็บชาเกิดขึ้นที่ขาเราก็ปล่อยให้เป็นไปไม่ขยับไม่อะไรสักพักอาการเน็บชาก็หายไปอค่ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเรารู้สึกพอเราอยู่กับลูกกับสามีหรือกับแม่ค่ะ บางครั้งเรารู้สึกจิตมันคิดขึ้นมาปึ๊บว่าลูกเราสามีเราหรือแม่เราเหมือนเป็นวัตถุธาตุก้อนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราคิดไปเองหรือว่าติดหรือมันรู้สึกหรือรู้สึกแวบหนึ่งขึ้นมาค่ะทั้งๆที่เราเนี่ยอกอดลูกเล่นกับลูกอยู่แต่เราก็รู้สึกว่าลูกเราคือก้อนธาตุก้อนหนึ่งคือนึกถึงคําที่อาจารย์พูดเราก็แยกนะสองส่วนความจริงสองส่วนคือสัจจะสองส่วนปรมาสสัจจะ มันก็เป็นก้อนธาตุอันหนึ่งโดยสมมุติสัจจะเป็นลูกของเราอันหนึ่ง <c oughs> เป็นลูกเรา <c oughs> นะงั้นเราก็มีหน้าที่นะปฏิบัติต่อปรมัตา์อย่างถูกต้องปฏิบัติต่อสมมุติอย่างถูกต้องไม่ใช่ว่าเออไม่ใช่ลูกเราแล้วเอาไปปล่อยทิ้งที่ไหนก็ได้ค่ะก็เลยมีคําถามหลุงพ่อสองเรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือที่ปฏิบัติอยู่อ่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างอย่าให้เคร่งเครียดนะถ้ามีเกิดความเคร่งเครียดขึ้นมาแสดงว่าทําผิดจริงจังเกินไป น, นิสัยเป็นคนจริงจังนะจริงจังเกินไปเนั้นปฏิบัติให้สบายๆอ้าวข้อสค่ะแล้วก็ขอกัรบ้านหลวงพ่อค่ะก็คอยรู้สึกเอานะรู้สึกการู้สึกใจแต่อย่าอย่าจริงจังเกินไปอย่าจ้องอย่าถล้ำไปเพ่งนะะอย่างบังคับตัวเองแรงเกินไปค่ะขอบพระคุณค่ะอ้าวต่อไปนรง์มีวาสนาอะไรบ้างหลวงพ่อนี่ครับเอ่ออยากจะขอคําแนะนําเพิ่มเติมครับหลวงพ่อจิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหม จิตออกนอกจิตกระจายออกไปดูออกไหมจิตไม่ถึงฐานอจิตมันไม่ทวนเข้ามาหาตัวเองดอกไหมต้องต้องกลับมาใช่ไหมฮะรู้ไหมใช้วิหารธรรมถ้ารู้นะถ้ารู้ว่ามันไม่ตั้งมั่นมันจะทวนกระแสเข้ามาเองครับอย่าดึงนะถ้าดึงก็ผิดอีกแล้ครับปัญหาของนโรงตอนนี้คือจิตไม่ตั้งมั่นแล้วล่ะเหมือนที่หลวงพ่อเคยเป็นนะที่อาจารย์มหาบัวบอกที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วล่ะไปอยู่นอกนอกแล้ว แล้วการปฏิบัติที่ผ่านๆมาที่ที่ยังไม่ใช่สภาวะนี้ครัที่เป็นเรื่องของการเข้าใจว่าเออบสติเนี่ยพอฝึกไปเรื่อยสมาธิก็มาอืมครับปัญญาก็จะเกิดไม่ไม่ใช่การพิจารณาไต่ลักษแล้วแต่เป็นเรื่องของการความเข้าใจเออ<ต>ความเข้าใจนะแล้วก็จเจริญสติไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นปัญญามันก็มีขึ้นมาครับนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นปัญญามไม่เกิดตอนเนี้ยจิตไม่ตั้งมั่นจิตมันกระจายออกไปไม่ถึงฐานนะอะต่อไป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 ขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลละนานเทินยะถาวอริวหาปุราปาริปูเรนตีสาคารังเอวเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกาปปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิชะโตสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโดปนารโสยถ า, ามณีชโชติระโสยถ า, าสัพพิตโยวิวัตชันตูสัพพโรโพวินาสตูมาเตภวัตวันตรารโยสุขีตีคายุโกภวะ อาภิวาทานาสีลิสนิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพระลังภาวนานะอย่าทิ้งเวลาเปล่าๆแป๊บหนึ่งก็จะสิ้นปีอีกแล้วเนี่ืจะครึ่งปีและนะ้นวนภาวนาไป